วันนี้คนข้างน้อยคนใหม่ไม่ค่อยมีมีแต่คนเก่าหมอมีแลรร้วปะต่ดตั้งใจขับมาขึ้นมาถึงเลยครออาารวันนี้มาคนเดียวเลยท้องก่งนอนใช้เวลาเท่าไหร่ตัดสมุนปการก็ชั่วโมงครึ่งค่ะอยู่ในตัวจังห ว, จงหวัดเล ย, ยเลย มาทางไหนบางนาตาดรืยวะขึ้นทางออโเตยออเตอเวยที่เป็นเส้นที่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นสูงใช่หมขึ้นสูงรเอาขึ้นสูงที่เป็นเอทั้งด่วนจะติดน้อยกว่ด่วสภาวิถีอันนี้ค่าทั้งด่วนก็เท่าไหร่สี่สบสี่สิบ เดี๋ยนี้ไม่ค่อยเลยไปไหนมาไหนเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดียวนี้ี่มีรดไใต้ดินสายใหม่เร็จต่างเนี่ยนะที่ในกรุงเทพนะปกติโยนี่ใต้ดินใงดใได้ข้างบนสีม่วงนี่มันใต้ดินด้วย่ไหสีสายใหม่ที่เขเปิดสายห่ยจะเป็นรถไฟฟ้าข้างบนนะครับข้างบนนนนนนนนนนนนนน ไม่ได้ลงเล่นนะไม่ไแต่คนเยังไม่เคยเยอะครับขาดทุนอยู่ใหม่ๆคนยังไม่ได้รู้จักกัน <c oughs> พอเริ่มรู้จักกันแล้วก็ใช้กันมากขึ้นไปบีทีเสใหม่ๆก็ขาดทุนเหมือนกนะันเลตอนนี้กำไรน้องให้คนใช้กันเยอะ ก็พัฒนาไปเรื่อยๆทลกคนมากขึ change, ้นก็ต้องมีการสร้างก่อสร้างมากขึ้นมีการเดินทางไปไหนมาไหนมากขึ้นก็ต้องมีถนนหนทางมียานพานะคนเราก็ไปตามความอยากกัน อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์เลยต้องมีอะไรให้ทำจะได้ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญใจแต่พอทำแล้วก็ไปมีปัญหากันไปทำในเรื่องเดียวกันก็เลยไปแข่งกันไปแย่งกันไปต่อสู้กัน ปัญหาก็อยู่ไม่เป็นสุขแน่ปัญหาของคนเราจริงๆมีแค่ปัจจัยสี่นี้ท่านั้นแหละคืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้ามีปัจจัยสีในีปัญหามันน่าจะหมดละเพราะร่างกายอยู่ได้ละแต่อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่บ้านกันไม่ได้ไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านแค่นี้ทำไม่ได้ต้องไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆตัวปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้ามนุษย์เราหาแต่ปัจจัยสี่ปัญหาจะไม่ค่อยมีเพราะ ปัจจัยสี่นี่มั น, นเดืยวเฟือพออยู่พอกินแต่ร่างกายพออยู่พอกินแต่ใจมันไม่พอใจมันต้องการรูปเสียงกลิ่นรสใจต้องการลาบยศสรรเสริญ ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตต้องการให้คนยกย่องนับถือคารบนับถือ ป, ปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะของพวกนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้เป็นใหญ่ขนาดไหนก็ไม่พอพอได้เป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อย เปนนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายหมื่นนายแสนนายพลอยากขึ้นไปเรื่อยๆความจริงข้น่าจะเพิ่มตำแหน่งให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจากนายพลก็เป็นนายนายนายหมื่นนายแสนนายล้านไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกำเงินเลยนะ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากล้านหนึ่งก็เป็นสิบล้านจากสิบล้านก็เป็นร้อยล้านร้อยล้านก็เป็นพันล้านพันล้านก็เป็นหมื่นล้านหมื่นล้านก็เป็นแสนล้านนี่ยอย่างนี้เสียธีเมืองไทยเนี่มันเท่าไหร่ะกี่แสนล้านล้นอันอันดับหนึ่งนี่อย่างสู้เมืองนอกก็ไม่ได้ เราสี galaxies, player, guard, ah. ่สี่ห้าแสนล้านบาทของเขาสี่สี่ห้าแสนล้านเหรียญคูณไปอีกสามสิบกว่าเท่าเท่าไหรก็ไม่พอเนี่ยมันเป็นตัวที่แทนที่จะเห็นความโง่ของคนว่าเอาไปทำไหมได้มาทำไหม แล้วมันผลที่ได้จากการที่ได้มาเป็นยังไงมันสุขมันสบายมันอิ่มมันพอเลยพอมันไปสูด ข, ขีดเรื่องเงินมันก็ไปหาเรื่องอื่นต่อไปหาเรื่องอํานาจต่อเรื่องตําแหน่งเรื่องยศต่างๆพอเป็นมหาเศรษฐีแล้วทีนี้ก็ลองไปเล่นการเมืองนะ ในมหาเศรษฐีอเมริกาก็ไปสมัครแข่งขันประธานาธิบดีแล้เป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่พอต้องไปเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราความอยากไม่มีคําว่าพอความอยากมีแต่จะอยากมากขึ้นไปเรื่อย เราจะหาความสุขไม่เจอเพราะความสุขอยู่ที่ความพอนี่เองเวลาอยากแล้านี่มันมันทุกข์แล้วแต่ความหลงมันทำให้มองไม่เห็นความทุกข์กันมันหลอกให้คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขมากขึ้น ได้มาแล้วก็ความอยากก็มามาอีกแล้วได้มาเท่าไหร่แล้วเวลาเราอยากแล้วเราไปได้สิ่งที่เราอยากได้นี่อยากมากี่ครั้งแล้วเคยนับไหมเคยเขียนไหยบ้างไามอยากได้สิ่งนั้นพอได้มาแล้วเป็นยังไงพอหรือยังไม่พออา้าวอยากได้นั่นอีกได้มาแล้วพอหรือยัง ยังไม่พอนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วถ้าไม่พอมันจะเรียกว่าสุขได้ยังไงอิ่มได้ยังไงเหมือนคนกินข้าวกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเลยฮะก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินไปทําไมถ้าการไม่กินแล้วทำให้เราอิ่มสู้อยากกินไม่ดีกว่าเนะี่ ความพออยู่ที่ความไม่อยากความไม่มีความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะมีความพอเพรางฉนั้นเราต้องทำลายความอยากถ้าทำลายความอยากได้แล้วความพอก็จะมาเดี๋ยดูคนที่เขามีความพอดูพระพุทธเจ้า พะอรันตสาวกเนี่ยท่านมีความพอท่านจึงไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรมีแค่ปัจจัยสี่และปัจจัยสีก็แบบสุดเลยแบบน้อยที่สุดเลยมากน้อยที่สุดอาหารก็มื้อเดียววันละมือ้อเครื่องนุ่งห่มก็ชุดเดียวผ้าใตรหนึ่งชุด ผ้าสามผืนแล้วผ้าก็ไม่ต้องเป็นผ้าใหม่ไปเอาเศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วมามาตัดมาเย็บมาย้อมทาให้เป็นผ้านี่แหละคนพอก็อยู่แบบนี้ข้าวมือเดียวผ้าก็ผ้าบางสกุลผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะ ไปเก็บมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าห่มขึ้นมาเป็นผ้ากีวรโยมถ้าสังเกตดูจะเห็นผ้าของผ้านี้ไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียวนะผ้านี้จะเป็นมีรอยต่อรอยเย็บทั้งทัที่ความจริงไม่ต้องต่อต้องเย็บก็ได้แต่ยุคแรกๆนี้ พระไม่มีคนถวายผ้าที่เป็นผ้าทั้งผืนพระต้องไปเก็บผ้าเศษผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าตามกองขยะเป็นผ้าหลายขนาดด้วยกันชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วก็เอามาสะสมไว้พอได้จํานวนพอที่จะมาปะมามาติดมาต่อมาเย็บให้เป็นผ้า จีวนได้ท่านก็ทำผ้าของผ้าจึงเป็นผ้าที่เป็นผ้าที่มีผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมามาติดมาต่อกันแล้วต่อมาพอมีพุท ธ, ธานุ ญ, ญาตให้ถวายผ้ากระถินญาณโยมก็เลยถวายผ้าทั้งพับละผ้าที่เป็นผืนใหญ่พอได้ผ้าที่เป็นผืนใหญ่มา พระ อ, อนนทก็ถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำไงจ ะ, จ, ะ จ, ะจะมาตัดเยยกจีวรของพระแบบไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตัดมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มามาปะม า, ม า, ม, ามาติดมาต่อกันใหม่เพราะว่าท่านต้องการให้พระ อ, อยู่แบบคนยากจนไม่ต้องการให้ใช้ของหรูหราของของแพ ง, แพง ที่ญาตโยมทำมามานี่สมัยก่อนเป็นผ้าพับสมัยก่อนนี่ไม่มีผ้าจีวรสําเร็จพระจะเป็นคนตัดเย็บเองญาตโยมก็เพียงแต่เอาผ้าเขาก็ซื้อผ้าที่เป็นพับมาพราอุตตร迦ก็เลยบอกว่าให้มาทําเป็นแบบนาข้าวนาข้าวนี้เขาจะเป็นแบ่งเป็นเป็ น, ปนล็อกๆอกไปผ้านี้ก็ให้ตัดเป็นแบบ นาข้าวตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาต่อกันเข า, าเรียกว่าขันมันก่อนมีญาติโยมถามว่าจีวรพระมีกี่ขันบางมามีตั้งแต่ห้าขันเจ็ดขันเก้าขันขึ้นไปคือผ้ากี่ชิ้นที่มามาตัดมาต่อมายเย็บกันถ้าห้าขันก็มีห้าชิ้น ถ้าเจขันก็มีเจดชิ้นถ้า9ขันก็มี9ชิ้นมาตัดมามามาต่อกันเป็น9ชิ้นขนาดของขันก็ถ้าน้อยมันก็จะใหญ่หน่อยถ้า5้าขันนี้ขันแต่ละขันมันก็จะใหญ่ถ้าเจ็ขันมันมันก็จะเล็กลงหน่อยเพราะว่าเมื่อมันมาต่อแล้วมันก็จะได้ขนาดเท่ากัน เช่นสเมตรนี้ถ้าห้าชิ้นก็ชิ้นละห0สิบเซนถ้าเจ็ดชิ้นนี่มันก็มันก็เล็กกว่า60สบประมาณสีสี่สิบกว่าถ้าเก้านี้มันก็เก้าสามบเจ็ดก็สากว่า4ี่สิบอันนี้เรียกว่าขันขันก็คือที่เป็นเหมือนไม้ที่เราปูบ้านนี้ปูพื้นบ้านนี้ ชิ้นไม้แผ่นหนึ่งก็เป็นขันหนึ่งจีวรของพระท่านก็ให้ทําเป็นขันอย่างเนี้ยเหตุผลก็คือหนึ่งมันจะได้เป็นผ้าที่ไม่ไม่มีค่าเพราะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผ้าขาดมาเหมือนกับเอาเศษผ้ามาปะมาต่อกันมาติดกันพระเวลาอยู่ในป่าบางทีตากผ้าไว้ ขโมยก็จะไม่มาขโมยเพราะมันเป็นผ้าที่ไร้ค่าไม่มีใครที่จะซื้อไปรับซื้อไปแต่ถ้าเป็นผ้าที่ไม่มีรอยตัดไม่มีลายต่อนี่ก็เอาไปขายได้อันนี้ก็ล้ออย่างก็ทำให้ผู้ให้พระนี่อยู่แบบมักน้อยก็คือใช้ของถูกๆ ใช้ของที่ไม่มีคุณค่าราคาเพราะมันปลอดภัยไม่มีใครจะมาขโมยพาอยู่ในป่านี้ไม่มีสมัยก่อนก็ไม่มีกุฏิอยู่ตามโคนไม้อาจจะทำเพิงทำอะไรพอหลบแดดหลบฝนได้ชั่วคราวถ้าเก็บของมีค่าไว้เดี๋ยวก็ถูกขโมยมาขโมยไป ของพระยังไม่มีค่าบาทก็ไม่รู้ขโมยรู้จะเอาไปทำอะไรผ้าก็เป็นผ้าขาดก็มีใบมีดโกนที่โกนศีรษะโกนหนวดที่กรองน้ำเข็มกลับได้นี่คือสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ก็ว่าไนดะ้ของพระ นี่แนะถ้ามนุษย์เราอยู่แบบนี้รับรองได้ว่าไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วคนมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใสสักสองสามชุดมีข้าวกินมียารักษาโรค ก, ก็จบแล้วถึงเวลาไปทำงานก็ไปเสร็จจากการทำงานก็กลับมาบ้านพักผ่อนหลับนอนไม่เห็นจะต้องมีทีวีดูไม่เห็นจะต้องมี อะไรกินอะไรเดื่มอะไรแล่นกันไหมเห็นจะต้องไปเที่ยวที่ไหนกันมีแล้วมันเป็นยังไงมันวุ่นวายหรือมันมันไม่ันไม่วุ่นวายทีปัญหาก็คือมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องหาอะไรทำพอทำแล้วมันก็ติด เวลาไม่ได้ทำมันก็งดเกียิเราต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวนี้ปัญหาก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้คือถ้ามีปัจจัยสี่แล้วก็ควรจะอยู่เฉยๆได้แล้วถ้าปัจจัยสี่ไม่ครบก็ต้องไปหามาอย่างพระทุกวันก็ต้องไปบิณฑบาต ไปหาอาหามากุฏิที่อยู่อาศัยก็ถ้าไม่ชำรุดทุดโทรมก็ไม่ต้องทําอะไรจีวรถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องหาใหม่ถ้าเจ็บไข้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหายามาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายาเนี่ยพระก็หากันแค่นี้แหละพระพุทธเจ้พาพระนางตสาวโลกท่านหากันแค่นี้ หาแค่ปัจจัยสี่ท่าไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสจึงไม่มีปัญหาอยู่สบายทําไมท่านอยู่ได้ทําไมเราอยู่ไม่ได้เพราะท่านมีสติมีปัญญาพวกเราไม่มีสติไม่มีปัญญากันเราเลยหยุดความอยากไม่ได้กัน ทำลายความอยากไม่ได้ความอยากมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับของแหลมทิม่มแท ง, งหัวใจเราทำให้เราอยู่เฉยเฉยไม่ได้พอ เ, เกิดความอยากนี่เหมือนกับถูกอะไรทิม่มแทงต้องไปทำลายไอ้ความเจ็บปวดที่เกิดจากที่ถูกของแหลมทิม่มแทง แทนที่จะเอาของแหลมออกจากใจกลับไม่ได้ไปเอาออกกลับไปหาของแหลมมาเพิ่มอีกการที่เราจะทาลายความอยากแทนที่เราจะเอาหยุดความอยากเรากลับไปทำตามความอยากก็เหมือนกลับไปเอาความอยากมาเพิ่มใหม่เพราะพออยากเราไปทำตามความอยากวัดเดี๋ยวความอยากใหม่ก็มาโผล่ใหม่ตัว เราทำผิดทางแก้ปัญหาผิดทางวิธีแก้ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไปคนอยากดื่มคนอยากสูบบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าสูบเดี๋ยวเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ก็จะหมดมง่าย วิธีแก้ปัญหาง่ายๆแต่ทํายากก็เกินการที่จะฝืนความอยากนี่เมันรู้สึกว่ามันยากยิ่งกว่าไปปีนภูเขาอนะ่ให้ไปปีนภูเขาหิมาลัยนี่ยังง่ายกว่าการไม่ทําตามความอยากอ่ะไม่เชื่อลองวันไหนนั่งเฉยๆดูสักห้าชั่วโมงเนี่าสมมุติว่ากําลังนั่งอยู่บนเครื่องบินไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้องนั่งเฉยๆดูสักห้าชั่วโมงดูถ้าจะไปก็เข้าห้องน้ำอย่างเดียวถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำอย่างเดียวอย่างอ่นไม่ต้องดืม่มไม่ต้องกินทำเพื่อร่างกายได้อยู่ถ้าร่างกายต้องต้องเข้าห้องน้ำก็ให้มันไปห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับมานั่งต่อเหมือนกับเรานั่งอยู่บนเครื่องบินเราจะไปไหนได้ แต่เวลาอยู่บนเครื่องบินนั่งกันได้8ปดเก้าชั่วโมงสิชั่วโมงนี่นั่งกันได้ลองนั่งเครื่องบินที่บ้านเราดูเลยถึงวันนี้เราจะเดินทางไปอเมริกาหาเก้าอี้สบายสบายมานั่งสักตัวหนึ่งเราบอกว่าตอนนี้เรากําลังนั่งเครื่องบินไปอเมริกาเราไม่ต้องทําอะไรให้นั่งเฉยๆดูนาฬิกาพอสอ็ดชั่วโมงแล้วค่อยค่อยลุกออถึงแล้วถึงถึงอเมริกาแนละ้ว แล้วก็พรุ่งนี้ก็นั่งอีกสิเอ็ดชั่วโมงนั่งกลับมาเมืองไทยมันก็นั่งเหมือนกันทําไมนั่งได้เวลาเวลาเดี๋ยวนี้เครื่องบินก็มีไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีอะไรให้ดูสมัยที่เรานั่งไปนั้นสมัยนั้นยังไม่มีหนังให้ดูมีแต่ข้าวให้กินก็คึกไปก็เอาอาหารมาให้กินกินเสร็จก็ให้นอน อาต่นขึ้นมาก็ให้กินอีกมือนึ่งก็ถึงละสมัยนี้มีทั้งภาพให้ดูมีทั้งเสียงให้ฟังเอาสมัยก่อนมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านมีนิตยสาราให้ดูคือใจมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมันติดรูปเสียงกลิ่นรสมันต้องมีอะไรมาให้มัน เจบอยู่เรื่อยๆมันถึงจะหาหงดเหงียดถ้าไม่มีอะไรมันเสพแล้วมันหงดเหย็ดเนี่ยทำไม่เชื่อลองนั่งดูสิวันไหนว่างๆเนี่ยวันหยุดไม่ต้องทํางานกินข้าวเสร็จแล้วก็บอกต่อไปนี้จะนั่งเวละทั้งถึงเย็นเลยถึงมืดแล้วค่อยกินข้าวเย็นต่อวันนี้งดมือกลางวันหนึ่งมื้อดื่มน้ําแทนมื้อเช้าก็กินเยอะๆหน่อยก็ได้กินเผื่อเหมือนกับเราจะมาออกเดินทางไม่มี ไม่มีที่แวะกินอาหารเราจะเดินทางประมาณสิบชั่วโมงแปดโมงเช้าออกเดินทางหกโมงเย็นหกโมงเย็นค่อยถึงจุดหมายปลายทางค่อยลงจากรถให้นั่งอยู่ในรถไปอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำวางไว้ข้างๆที่นั่งดื่มไปถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าห้องน้ำไป องจากนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นร้นลองทำดูสิถ้าใจเข้มแข็งสู้มันได้แล้วจะสบายนะจะต่อไปจะไม่มีอะไรมาคอยคอยดันให้เราต้องไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรพอความอยากที่มันลิ่นอยู่นี่มันหมดกำลังนี่ ใจก็สงบเลยใจก็หายหงุดหงิดหายลำคาญเราเคยเราเคยสังเกตดูว่าทำไมเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำไมต้องอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปเดินไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็อยากจะเดินไปทำทำอะไรก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเดิลองสู้กับมันดูลองนั่งเฉยเฉยดูสัก 6-7 เจ็ดชั่วโมง ตอนต้นมันก็ โ, โหหงุดหงิดทรมานใจพอเราไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันหมดกําลังใจไปมันหมดกําลังแล้วมันก็สงบใจก็เบาสบายนั่งเฉยๆได้ตั้งแต่นั้นก็เลยรู้ว่าปัญหานี่อยู่ที่ความอยากของเราเองเคยทําตามความอยากมาตั้งแต่เกิดแล้ว ถ้ามันเป็นวิธีแก้ปัญหามันน่าจะหมดปัญหาไปนานแล้วแต่มันไม่หมดนะความอยากมันไม่เคยหมดจากการทำตามความอยากก็เลยลองมาทำอีกวิธีหนึ่งทาโดยที่ไม่โดยไม่ทําตามความอยากแทนโดยใช้การเปรียบเทียบนะคนที่เขาเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เ็าอะไรเพราะเขาไม่ดื่มตามเวลาที่เขาอยากดื่มใช่เขาไม่สูบตามเวลาที่เขาอยากสูบ อยาจะสูบบุหรีก็ไม่สูบพอไม่ไม่สูบไปสักพักความอยากมันก็บทกําลังไปอยากแล้วไม่ได้สูบมันจะอยากไปทําไมอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มเนี้ยอยากดื่มก็ไม่ดื่มอยากดื่มก็ไม่ดื่มต่อไปมันก็ไม่รู้อยากไปทําไมต่อไปก็ไม่มีความอยากมากดดันอยู่เฉยๆได้อยากออกไปเที่ยวข้างนอกลองอย่าออกดูไย อยากจะไปเที่ยวข้างนอกก็อยู่บ้านอย่าออกไปออกไปเฉพาะเหตุผลมีจ้าความจำเป็นเช่นออกไปทำงานออกไปซื้อของจาเป็นเช่นอาหารหมดต้องไปซื้ออาหารมารับประทานอะไรลองออกไปด้วยเหตุผลดูแต่ถ้าจะออกไปด้วยความอยากไปอย่าออกไปดูแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากออกไปนอกบ้าน อยู่บ้านสบายกว่าออกนอกบ้านเนี่ยออกมาเนี่ยขับรถมาที่เป็นยังไงเจอรถราไหมหาที่จอดรถหาที่อะไรต่างๆอยู่บ้านสบายไม่ต้องไปแก่งแย่งอะไรกับใครไม่ต้องไปเบียดกันบนท้องถนนปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวากันอยู่บ้านได้แสนจะสบาย อยู่กับที่ได้แสนจะสบายแต่อยู่ไม่ได้กันเป็นธาตุของความอยากพอความอยากสั่งปั๊บต้องไปทำตามที่มันสั่งทันทีออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ไปเลยไปซื้อ้นู่นซื้อนี่มาไปซื้อเลยทัทง้ทงที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องซื้อ แล้วทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดไม่ไม่พอต้องมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยลองต่อสู้กับความอยากดูหัวใจของคำสอนของท้าวเจ้าก็อยู่ที่การทำลายความอยากนี่เองความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าทำลายความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหมดไป หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทำลายความอยากแล้วเราก็จะอยู่กันแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้ถ่ายไฟฟ้ายังคืนแล้วก็ไม่ออกไปไหนจุดธงจุดเทียนอะไรไปพอมีแสงอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็พอ สมัยก่อนเขาก็ไม่มีไฟฟ้าเขาเขาก็อยู่กันได้ไม่มีรถไฟไม่มีเรือบินไม่มีอะไรต่างๆเขาก็อยู่กันได้อยู่กันสบายกว่าสมัยนี้ไม่มีควันพิษไม่มีมลภาวะอากาศสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีโรงงานที่พ่นพิษพ่นควันออกมา ไม่มีรถยนต์ที่พ่นพิษพ่นควันออกมาจะไปไหนมาไหนก็เดินไปถ้ามันเดินมันจะได้ไม่ต้องไปไกลนะักสมัยก่อนนี่เดินทางไปไหนทีนี่บางทีสมัยนี้เดินทางแค่สองชั่วโมงก็ถึงสมัยก่อนนี่ต้องข้ามคืนยสมัยเด็กๆ เ, เราเคยอยู่ที่สุพรรณบุรี เวลาจะมากรุงเทพเนี่ยลงเรือเย็ยนมาประมาณบ่ายสามหรือวีสองสองเที่ยวมังบ่ายสามกับหกโมงเย็ยนแล้วมันก็จะไปนอนในเรือนมาถึงกรุงเทพก็ตีสองตีสามแล้วก็นอนรอให้สว่างก็ถึงค่อยถึงกรุงเทพกันจากสุพรรณบุรีแค่นี้เดี๋ยวนี้นั่งรถขับรถไปชั่วโมงกว่าสองเที่ยงโมงก็ถึงทำไมาตอนต้องนั่งเรือกัน ไม่มีรถถนนยังไม่ทำไม่เสร็จตอนหลังก็มีรถรถก็หลายชั่วโมงเพราะถนนมันก็ถนนลูกรังรถก็รถแบบสมัยก่อนก็เป็นรถแบบรถบรรทุกมาทำเป็นเป็นรถบัสบางทีวิ่งไปยางแตก ไม่มียางสำรองต้องรอให้เข้าไปถอดเขาไปปะยางก่อนทำไ้เดินสมัยก่อนเดินทางลำบากลำบนแต่มันก็อยู่กันได้มันก็ไปมันก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ประเด็นมันไม่สำคัญการไปไหนมาไหนสะดวกสบายแต่มันก็ทําให้มีผลเสียตามมา มีควันพิษตามมามีรถติดตามมาความจริงเดินทางน่าจะเดินทางแค่สิบห้านาทีก็เป็นทีชั่วโมงโในกรุงเทพนี่บางทีรถติดกันถ้าไม่มีรถนี่วิว่งกันจริงๆสิบนาทีก็ถึงมามันก็ย้อนกลับไปเหมือนยุคก่อนนัน่นเองมีรถมีอะไรแต่ก็ยังมาเดินทาง ไปไม่ได้รวดเร็วอีกล้วดังนนี่แหละคือปัญหาของพวกเราสร้างปัญหาเพื่อมาแก้ปัญหากันปัญหาของพวกเราก็คือความอยากเราก็เลยสร้างอะไรต่างๆมาตอบสนองความอยากแล้วสิ่งที่เราสร้างก็เลยกลายมาเป็นปัญหาให้พวกเราต้องมาแก้กันอีกที รถมากรถติดก็ต้องทาสร้างถนนเพิ่มพอมีถนนมากขึ้นคนก็ซื้อรถมากขึ้นมันก็เหมือนกับวัวงูงูกินหางตัวเองแก้ไปกินหางตัวเองไปมีปัญหาใหม่ให้แก้อยู่เรื่อยๆเพราะมันเลยไปแก้ที่เหตุ ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายตุปลายเหตุก็คือความต้องการสิ่งที่ต้องการไม่พอกับความต้องการก็เลยต้องผลิตของมาตอบสนองความต้องการตอบสนองความอยากอยิ่งผลิตก็ยิ่งสร้างปัญหาขึ้นมาความพิดก็ทาให้โรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา เี่บไข้ได้ป่วยกันก็ต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาต้องคนควาหายามามารักษาก็สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันจบหรอกถ้าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้องมาแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความอยากเนี่ย หยุดความอยากสามตัวนี้ได้แล้วก็จบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากได้ลาบยศสรรเสริญแล้วก็ความอยากที่จะไม่เสียลาบยศสรรเสริญไปความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือปัญหาโลกแตกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา ตัดสั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของปัญหาของโลกนี้อยู่ที่ตรงไหนปัญหาของต้นเหตุของต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงก็อยู่ที่ความอยากทั้งสามตัวนี้ถ้าทุกคนไม่มีความอยากเรานี้รับรองได้ว่าโลกนี้จะไม่มีปัญหาเพรามนุษย์จะมาเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่มาเกิดมากขึ้นมากขึ้น ถ้าคนน้อยทรัพยากรก็เหลือเฟือแล้วก็ใช้ทรัพยากรแบบมไม่ทำลายแบบ<ม>ก็เรียกแบบยั่งยืนรีไซเคิลได้ใช้ของธรรมชาติใช้เช่นเมื่อก่อนใช้ใบตองไว้ห่อของอใบตองนี้ทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็ พผมัมาเป็นต้นกล้วยใหม่เป็นใบตองใหม่ทรัพยากรแบบนี้มันมันมันรีไซเคิลได้มันไม่หายไปไหนแต่พวกน้ำมันพวกเหล็กพวกอะไรนี่พอเราขุดขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วใช้แล้วมันก็กลายเป็นควนันพิษไปน้ำมันก็กลายเป็นควนันพิษไปพวกโลหะต่างๆก็กลายเป็นขยะไป ต่อไปขยะเต็มโลกนะฮะที่ทิ้งขยะไม่ได้สมัยก่อนขยะเป็นขยะที่เป็นขยะธรรมชาติทิ้งไว้เดี๋ยวไม่นานก็เปื่อยมันก็ผุไปกลายเป็นดินไป <c oughs> เราต้องมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแก้แบบพระพุทธเจ้าแก้แบบพระอาหารหันต์แก้กัน ก็คือหยุดใช้เงินเงินเรามาหยุดใช้เงินซื้อความสุขซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเอาเงินไปทำบุญกันเอาไปช่วยเหลือคนที่เขาขาดปัดจจัยสี่กันเอาเงินไปซื้อของจำเป็นดีกว่าซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนึ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยแล้วก็ จะได้มีเวลามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันก็คือมานั่งสมาธิมารักษาศีนั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้ามีสีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้ทำลายความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆได้ จะทำอะไรก็ทำเฉพาะเวลาจำเป็นถึงเวลากินอาหารก็ไปหาอาหารมากินออกกินเสร็จแล้วก็หมดแล้วัวนละมื้อก็พออยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ที่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากกัน ด้วยการเจริญสติควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอคิดแล้วความอยากมันจะตามมาถ้าไม่คิดความอยากมันก็เกิดไม่ได้ความอยากมันเป็นเหมือนกับได้ได้มันต้องมีเข็มถ้าไม่มีเข็มนี่ได้มันไม่สามารถที่จะไ ป, ไปเข้าไปใ น, ในเนื้อผ้าได้ต้องมีเข็มเป็นตัวดึงไป เวลาเย็บผ้านี้ต้องใช้เข็มแต่เราเย็บนี่เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเข็มเก็บไว้กับผ้าเราเอาได้ติดอยู่กับผ้าอันใดถ้าไม่มีเข็มก็จะไม่สามารถเย็บผ้าได้จะไม่สามารถเอาเอาได้เข้าไปมัดผ้าให้มันติดกันได้อันใดถ้าไม่มีความคิดความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ ลองนั่งสมาธิจิตสงบไม่คิดอะไรในะความอยากมันหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วใจเย็นสบายมีความสุขจะเห็นโทษของความอยากทาันทีว่าที่ใจเราไม่สบายก็เพราะความอยากนี่เองพอความอยากไม่มีชั่วคราวนี่ความสงบความเย็นความสบายก็เกิดขึ้นมา เราต้องใช้สติหยุดความคิดเพราะความคิดของเราส่วนใหญ่คิดไปในทางความอยากคิดถึงอะไรแล้วก็อยากได้ขึ้นมาทันทีอยากได้อยากทำอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานต้องหยุดความคิดเหล่านี้พอหยุดแล้วใจก็สุขมีความสงบมีความอิ่มอิ่มโดยที่ไม่ต้องทำอะไร ไม่นั่งสมาธิไม่ได้ทำอะไรเลยกับนี้ความอิ่มกว่าการไปเที่ยวการไปดื่มกับการไปกินไปรับประทานอะไรอ่างๆพอเรารู้แล้วว่าความคิดนี้เป็นตัวปัญหาเราก็หยุดคิดแล้วก็ให้มันคิดไปในทางที่แก้ปัญหาให้มันคิดไปในทางที่ว่าการทำตามความอยากนี้นำความทุกข์มาให้ไม่ใช่นำความสุขมาให้ พอทำตามความอยากแล้วจะไม่เจอคำว่าพอจะเจอแต่คำว่าอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ได้อยากได้มามันก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองได้อะไรมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากกันพอจากกันก็ทุกข์อีกนี่ให้คิดแบบนี้คิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุก์เพราะว่ามันต้องจากกัน เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราต้องทิ้งทุกอย่างหมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยไปตัวปลอาเปล่าเอาใจไปอย่างเดียวถ้ามีสติสมาธิปัญญาไปก็เอาความอิ่มไปถ้ามีตัณหาความอยากก็เอาความหิวไป ถ้ามีความอยากก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปทําตามความอยากใหม่ถ้าไม่มีความอยากถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็ไปนิพพานไม่ต้องไปหาอะไรไปอยู่ที่เมืองพอนิพพานนี้ก็คือเมืองพอหิวไม่มีความอยากได้อะไร นี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกทางที่มนุษย์เราไม่รู้กันแล้วกลับมาว่าคนที่สอนนี่เป็นคนโง่งมง่ายเป็นคนที่ล้าสมัยเป็นคนที่ต้านความเจริญของทางโลกคนที่คนที่เขาทำตามความอยากกันนี่ก็จะว่าคนที่มาอยู่วัดนี้เป็นคนที่ต้านความเจริญของทางโลก นี่คือเรื่องของปัญหาของพวกเราปัญหาของโลกอยู่ที่ความอยากนี้เองจะแต่จะแก้ความอยากนี้ก็ต้องหยุดใช้เงินทองหยุดหาเงินทองเรามาหาศีลสมาธิปัญญาแทนถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะแก้ปัญหาทำลายความอยากได้หมดถ้าไปหาเงินทองก็จะไปขยายความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย พอมีเงินทองก็อยากจะซื้อนั่นซื้อนี่พอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีกก็ต้องหาเงินทองเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะหาไปเรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจทุกใจเวลาได้มาก็ดีใจเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะได้อย่างอย่างอื่นต่อสิ่งที่ได้มาก็หมดความหมายไปไม่ได้ให้ความสุขแล้วถ้าอยากจะมีความสุขต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่ม สิ่งที่ได้มาให้ความสุขเดียวเดียวแล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาสิ่งนั้นก็หมดความหมายไปต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มถึงจะมีความสุขมาเพิ่มก็ได้สุขเดียวๆวอีก็หากันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันที่จะพบกับคำว่าอิ่มคำว่าพอต้องมาหยุดความอยากนี้เท่านั้นโดยการหยุดใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆ ใช้เงินทองซื้อเพียงแต่ปัจจัยสี่เท่านั้นสิ่งที่จําเป็นเราต้องใช้กับเงินทองนอกนั้นอย่าไปซื้อจะได้มีเวลาเพราะเมื่อไม่ใช้เงินทองจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองเมื่อไม่หาเงินทองก็จะมีเวลามาหาศีลสมาธิปัญญาแทนพอเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะทําลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคานใจร่างกายจะตายจะแก่จะเจ็บ ก, ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้พึ่งพาอาศัยมันไม่ต้องใช้มันแล้วปล่อยมันปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายได้อย่างสบายนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกถูกต้องต้องแก้ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้แก้ การโดยทานสละเงินทองหยุดใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นแล้วก็มาหาศีลมาสร้างศีลสมาธิปัญญากันเมื่อมีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะเป็นตัวที่หยุดความอยากได้ทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ ก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายที่ถท้าวรนที่จะเกิดตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ361ค่ะเท่าเดิม อยู่ครูว่า50 50คนแล้วเข้าถึงเท <27 S 2> ่าไหร่นะ2 0 0 0 20,070 อ้อมวันนี้น้อยนะหายไปไหนหมดแล <c oughs> ้วอาจารย์ครับพรุ่งนี้พระป่ามาจะให้ถวายของหลังเทพหรือว่าก่อ น, นเจ้าแมกก็แล้วแต่เหตุการณ์ก็แล้วกันได้ใช่นนอไอมแต่เหตุการณ์ถ้าเขานั่งสงบก็ไม่ต้องถ้าเขาจะเาไม่สงบเขาจะถวายก็ถวายมันแล้วแต่ถ้ามีคนอื่น มาด้วยเขาอยากจะถวายเก้าของด้วยก็ถวายก่อนก็ได้ถวาย<ป>เสร็จก็ค่อยพูดก็ได้นี้พูดก่อนแล้วก็ค่อยถวายก็ได้แล้วแต่เรื่องอะไรที่เราจะไปผูกมัดตัวเราเองกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมมีทางเลือกก็เอามันทุกทางอะเอาทั้งเอาทั้งข้างบนเอาทังข้างล่างเ <laughs> ข้าใจไหมข้างบนข้างล่างนี่ หวยไงแม่อหวยอะไรรทางบนทางล่างไนเอามงทั้งหมดเดี๋ยวเกินทางข้างล่างมันไปออกข้างบนจะทำไงอ๋อยังไม่ได้พรอ๋อให้แล้วเนี่ยนะพรคนที่จะรอรับพรได้รับพรนะเดี๋ยว ใค อ, อยากจะกลับก็กลับได้นะการจะอยู่ต่อก็อยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ถามตอบปัญหากันไปใครมีคำถามว่าเข้ามาเลยถ้าไม่มีถามได้เลยนะครับจะปากทั้งว่าทำไมนี่โรคไไรใครเจ็บเยอะคนเกิดจะเป็นโรค ก, กัน เป็นโรคคนละโรคมั่โร<ล>ค<ล>มันมี<ค>นสามมันมีแค่สามชนิดเนะ่ยมันจะมากขนาดไห น, นก็มีสามชนิดเท่านัน้นแล้วคนที่ว่าเป็นโรคก็เพลินทุกคน จ, จะบวชในพุทธศาสนาได้ไหมเป็นโรคแล้วมาบวชทําไม <c oughs> เวลาดีๆไม่มาบวชนะเวลาเป็นโรคมาบวชนะที่นี่เขาไม่รับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเ้าเองได้คนที่จะมาบวชนี่ต้องไม่มารบกวนคนอื่น ต้องเป็นที่พึ่งของตนเองต้องหากินเองได้อยู่อยู่เองได้ไม่ใช่มามาเจ็บไขยได้เปิดหแล้วอาศัยวัดเป็นโรงพยาบาลนึงไม่ได้หรอกเข้าใจไห ม, อ, มอย่างนี้เขาเรียกว่าบวชเพื่อมามาเกาะเกาะเกาะกินกับวัดอย่างนี้คนก็ถึงไม่มีาบวตตอนแก่กันไงแก่แล้วลูกเมียทิ้งลูกหลานทิ้งหมดแล้วไม่มีใครดูแลก็เลยมาบวช มาทายวัดอยู่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การบวชนะการบวชต้องบวชเพื่อที่จะมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นแล้วจะได้มีความรู้ไปสั่งสอนคนอื่นต่อไปทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปไม่ใช่มาบวชมามากลายเป็นภาระให้โลกมามาแบกมาหามถ้าเป็นอย่างนั้นศาสนากม็มันเสื่อมไม่มีใครเข้าวัดหรอกถ้ามาวัดมีแต่คนแก่คนเจ็บ ให้ญาติใหญ้ใหญาติโยมมาคอยเลี้ยงคอยดูแล้วมาก็ไม่มีธรรมะมีอะไรสั่งสอนเขาเดี๋ยวก็มาไม่กี่ครั้งเขาก็เปิดแล้วเขาไม่ไปแล้วที่เขามาวัดกันก็เพราะว่ามีธรรมะมีสิ่งที่เขาไม่มีเขาถึงมากัน ค, คนคนพิกกงพิการนี่เ็าไม่ให้บวชหรอกช่วยตัวเองไม่ได้ อ้างว่าเมตตามันเรื่องของเมตตก็เมตตาแต่เรื่องของเรื่องของมาตรฐานของของศาสนาก็ต้องมีศาสนาก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ใช่ใครอยากจะขอมาเรียนก็ให้เรียนเพราะเมตตาเรียนแล้วก็เรียนไม่จบให้เรียนไปทำไมใช่ไหมอย่างจุฬาทําไมก็ไม่เปิดให้คนที่การคนหูหนวกตาบอดไปเรียนเพราะมันเรียนไม่ได้เรียนมันไม่จบ เรียนไปทําไมถ้าเรียนไม่จบมาบวชแล้วไม่บันไม่บรรลุมาบวชไปทําไมสมัยก่อนเขาบวชเขาบวชเพื่อบรรลุ ก, กันทั้งนั้นอนะ่ะเขาบวชเพื่อให้เรียนจบกันนะสมัยนี้มันไม่ได้มาบวชเพื่อบรรลุ ก, กันนะไม่รู้มาบวชเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อลดเบนนะ mm hmm. เพื่อลดดัวลานะอ้า ศาสนาพุทธนี่เป็นมหาวิทยาลัย ร, รู้ป่ะมีระดับสี่ปริญญาสี่ระดับโสดาบันส ก, กิดาคามีอนาคามีอารหันอันนี้เขามาบวชเพื่อให้จบปริญญาสี่ระดับนี่กันแกลับไปทําอะไรกันก็ไม่รู้กลับไปเป็นเจ้าอําเภอเจ้าตําบลเจ้าอะไรเจ้าจังหวัดเจ้าเอาวา่าเจ้า นี่ไม่ดีเลนี่ไปเรียนแข่งกขาโลกสิไปเรียนปริญญาตีโทเอกแข่งเขาโลกก็าสิ <c oughs> เอาบวกเป็นพระแต่ไปเรียนปริญญาตีโทเอกเนี่ยปริญญาของพระไม่เรียนมหาลัยของตัวเองเรียนไม่กลับไม่เรียนกลับไปเรียนมหาลัยของคนอื่นโดยอาศัยมหาลัยของวัดเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพระก็จะได้ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องไปหาอาหารกิน แล้วก็ไปไปเรียนปริญญาจบปริญญาก็สึกปเป็นมีเมียต่อคณะสงฆ์เขาว่านี่เป็นการพัฒนาให้สงทันกับโลกต้องเรียนทางโลกทางโลกมันมีอะไรต้องเรียนไม่มีอะไรต้องเรียนทางโลกก็คือโลกโกรธดองนี่คือทางโลกกิเลสตัณหาเนี่ยคือทางโลกลาภยศสรรเสริญ ส, สึกเนี่ยคือทางโลก เบียกใกล้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากได้มันตัดมันไปให้รู้ทันโลกโลกก็คือโลกธรรมแปดลาบยศสรรเสริญการเจริญในราบยศสรรเสริญและการเสรื่อมในราบยศสรรเสริญเรียกว่าโลกธรรมแปดผู้ที่รู้ทันโลกก็รู้ว่าเลอะยาบยศสรรเสริญสุงนี่มันมีขึ้นไม่ลง มีเจริญมีเสี่อมเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเวลามันระเบิดตูมตามนี่ทำให้คนกระโดดตึกตายกันรู้ไหมที่คนฆ่าตัวตายก็เพราะสูญเสียราบยศเสริญสุขนี่แหละจะไปเสียอะไรใช่ั้มเวลาแฟนไปมีแฟนใหม่ที่นี่นก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้ว เวลาบวชคนบวชนี่เขาต้องเลอกเลอกเฟ้นคนที so it, himself, like like ่สามารถที่จะทำหน้าที่ของพระได้คือศึกษาายศิกษาศีนสบทีิปัญญาไม่ใช่เอาคนแก่คนเจ็บไข้มาเลี้ยงที่วัดกัน แต่ถ้าบวชแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันไปดูแลกันไปตามอัตภาพอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนเราไม่ว่าจะเป็นพระเรือเป็นอย่เมื่อถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันก็เจ็บก็ดูแลกันไปแต่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะรับเจาะจงเอาแต่คนแก่คนชรามาเพราะเมตตาถ้าเมตตาแบบนี้ก็เจ๊งเท่านั้นถ้ามหาลัยแล้วแต่ คนที่ไม่มีความสามารถเรียนเพราเมตตาต่อไปมาอะไรก็เจ๊งไม่มีใครมาเรียนมีใครอยากจะถามอะไรไมในเ้าพระที่บวชแล้วเนี่ย เ, เขาบอกเขาจบทำทงที่ทาเองทาโทษอะรประมาณนี้ไอมในอยู่ในอุตสาหหรือว่าอุตสริครับ เป็น ม, ม, ม, มูสานั้นจบก็จบเลยนะคับตีก็มีแต่จริงๆก็ไม่จบเลยครับถ้าไม่จบก็โกหกอะไรอันนี้รู้ว่าเป็นมูสาอะโกหกแต่โกหกก็มีโกหกแบบหนักแบบเบาโกหกแบบปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระนี่ต้องอวดความวิเศษเช่นได้ฌานได้บรรลุปเป็นโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นอ โกหกแบบนี้ก็ถือว่าบาราชิกขาดจากความเป็นพระโทษหนักแต่ถ้าเป็นก็ไม่ผิดทีนี้บางทีคนเป็นพูดไปคนเขาไม่ไมรู้ไม่เชื่อจะทำยังไงพูดไปหาว่าโกหกก็จะทำไงแล้วใครจะไปพิสูจน์กันว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นเพราะคนพิสูจน์ก็ไม่เป็นสักคนหนึ่งเราจะไปพิสูจน์คนเป็นพระอาจารย์ครับแล้วถ้าในกรณีที่ที่ท่านหลง ไปนึกว่าท่านเป็นท่านบรรลุเนี่ยเป็นปราลาชิกไหมครับไม่รู้เหมือนกันนี่ ม, มีข้อยกเว้นหรือเปล่าไม่รู้สมัยก่อนยังมีคนมาพิสูจน์ได้เช่นพระพุทธเจ้ารับรองอ่าคนนี้เป็นอ่าแต่สมนี้ไม่มีพระพุทธเจา้าแล้วใครจะมารับรองว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นไปพูดไปเดี๋ยวก็โดนก็จับลงโทษว่าอ่า เป็นประราชิขึ้นมาเนี่ยทำไงเป็นแล้วไม่เป็นก็ไม่มีใครรู้อีกจะรู้ก็ต้องรอให้ตายไปก่อนนะเราดูกระดูกกายเป็นพระธาตุรือปะถ้ากระดูกเป็นพระธาตุก็คนนี้เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่แน่อีกเพราะคนที่เป็นแล้วอาจจะไม่เป็นพระธาตุก็ได้อยู่ที่เวลาเป็นว่าเป็นนานไหมก่อนตายถ้าเป็นปุ๊บแล้วตายนี่เวลาที่จะ กลายเป็นธาตุมันมันไม่มีมันช้ามันต้องใช้เวลาใจที่บริสุทธิ์นี่มันสามารถพอกกระดูกให้เป็นธาตุได้ยันมันก็ลำบากสมัยนี้จึงไม่มีใครกล้า บ, บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันนอกจากบางองค์ที่ท่านมีมีบารมีมีคนเคารพนับถือเชื่อฟังท่านก็พูดได้ แต่ถ้าไม่มีคนเขารบนับถือเชื่อฟังก็ไม่ท่านก็ไม่พูดดีกว่าเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะท่านก็ไม่ได้หิวกับการที่จะต้องไปบอกคนอื่นว่าเป็นหรือไม่เป็นคนที่เป็นจริงๆก็ไม่หิวหรอกบอกเขาก็ไม่ได้อะไรเพิ่มคือถ้าน้ำเขาเขามีอยู่เต็มแก้วแล้วบอกไปก็ต่อให้เติมน้ำเข้าไปอีกกี่ขวดมันก็ได้แค่ แก้วนั้นละ่ะมันมันจะร้นออกไปหมดยังจะพูดไม่พูดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับท่านที่ท่านพูดอาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังมากกว่าคือให้คนฟังได้มีความมั่นใจว่าออของเหล่านี้มีจริงนะเป็นไปได้ปฏิบัติเล่าได้ผลนะถ้าท่านพูดท่านพูดในลักษณะนั้นพูดให้เพื่อให้กําลังใจพวกที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะ ชาตินี้จะบรรลุได้เปล่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือเปล่าทางกระ บ, บอกว่าได้สิเราได้มาแล้วเนี่ยเราทำมาแล้วเราได้มาแล้วถ้าคุณทำคุณก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้คนฟังแล้วก็จะมีกำลังใจว่าเออคนนี้ไปหาหมอมาแล้วกินยาชนิดนี้แล้วหายแล้วจะมาบอกไม่ได้หร้อ ว, ว่ากินยาชนิดนี้หายแล้วก็บอกได้ แต่โลกนี้มันมีคนปลอมเยอะเนียคนที่อยากจะหาผลประโยชน์จากการบอกว่าตนเองเป็นเนี่ยมันมีคืตอตนเองไม่เป็นแต่ถ้าบอกว่าเป็นนอะไม่เดี๋ยวคนก็มากราบว่วนะถวายเงินทองถวายข้าวของก็อาจจะอยากพูดว่าเป็นก็ได้มันก็เลยมีทั้งของจริงทั้งของปลอมในเวลาที่พูดเนี่ยเขาก็คนที่เขา เขามีปัญญาเขาก็จะดูการะเทสะดูสถานที่ดูบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดแล้วควรพูดแบบไหนอย่างไ ร, รเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนฟังถ้าเขาคนที่เขามีของจริงเนี่ยก็พูดนี้เขาไม่ได้ประโยชน์จากการพูดของเขาเองตัวเขาเองไม่ได้อะไรหรอเพราะเขาได้เต็มที่แล้ว พระพุทธเจภาพ า, านี้ท่านได้ความสุขเต็มเต็มที่แล้วไม่พูดไปอีกร้อยร้อยคำร้อยร้อยคาพูดก็ไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับตัวท่านไม่พูดก็ไม่ได้ทําให้มันหายไปแต่ที่พูดก็เพื่อให้กําลังใจกับคนที่ฟังคนที่อยากจะเป็นว่ า, เ, าเป็นได้พยายามปฏิบัติไปเราได้พิสูจน์แล้ว อากาลิโกสันทิตโกทำของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิตโกผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมทันสมัยใช้ได้ทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยสมัยพ่ะพุทธการก็ใช้ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้ได้การนำเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าเป็นสุปฏิปันโนแล้วก็จะได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งอย่างแน่นอน อันนี้ท่านก็พูดได้เมืม่อกี้ถามอะไรนะลืมไปแล้วพูดยังวัน<ร>เป็นประลัเป็นปลกชิกหรือเปล่าพูดพูดโกหกอ<ะ>่อจบทำทีทำอะไรทำโ ท, ท, ทจริงก็ไม่จอมั้เนี่ยอ่าก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพูดแบบนี้ก็เป็นภาพเพรสเจอร์ภาพแบบโอ้โหไม่ร้างหลอกลวง พระแบบที่แบบว่าบวชตามตามประเพณีหรือบวชเพราะว่าไม่มีที่ไปะแล้วบวชบางทีก็ขนาดแค่นักทำเตียังเลยไม่ได้ต้องมาโกหกมันคิดดูนะมันมันมั น, ม, นมันงองขนาดไหน <c oughs> นักทำเตีเนี่หนังสือเล่มเดียวท่าต้องไม่กี่วันก็จบแล้วไปสอบก็ได้นะนักว่าวาดเล่มเดียว มันมันจะยากเย็นเลยถึงจะต้องมาโกหกเลยอย่างเรานี่ก็ไม่เคยจบสักทีแล้วก็ไม่เคยโกหกว่าเราจบนะตั้งแต่บวชมานี่เราก็ไม่เคยเรียนนักธรรมตีเลยตอนบวชล้วก็อ่านหนังสือธรรมะมาพอพอรู้ว่าจะต้องปฏิบัติได้แล้วเราก็พอแล้วทำไมต้องไปเรียนเพื่อเอานักธรรมตรงทั้งนักธรรมตีนะแล้วก็พอดีบวชแล้วไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่อง ก, การที่จะไปมีนักธรรมตีก็เลย ก็แล้วไม่เคยมีนักทําตีเข้ามาจนปัจจุบันเนี้ยถึงเวลาจะไปเป็นอะไรถึลงลําบากเขาต้องดูวุฒก่อนว่ามีนักทําตีโทเอกก็ป่ะจะเป็นเจ้าว่าก็บอกอ้ า, อาคุณไม่มีนักทําโทไม่มีนักทําเอกแต่แปลกได้เป็นเจ้าคุณนะเวลาคนที่ไม่จบนักทําตีมันไม่นา่าจะได้เป็นหรอกแต่อาศัยมันเป็นตําแหน่งของสมเด็จสังฆราชเป็นคนมอบให้ เ, เป็นฐานานุ ก, กรมคือเป็น เป็นสิทธิของสมเด็จสังฆราชจะเลือกให้พระรูปไหนก็ได้เพอพระที่ท่านเอามาคือพระสมเด็จพระสังฆราชนี้ท่านจะมีสิทธิ์ตั้งเลขาเก้าเก้าตำแหน่งด้วยกันเป็นพระครูเจ็ดตำแหน่งแล้วก็เป็นเจ้าคุณสองตำแหน่งอันนี้ท่านจะตั้งใครก็ได้ไม่ต้องมีวุฒิก็ได้ท่านรักใครชอบใครใครล้านกระโถนใหท่านท่านก็ตั้งให้ได้ ่จ<ต>ําจพระอาจารย์ไม่ได้ไหมครับตอนที่เจอพระอาจารย์จำไม่ได้ว่าใครบวช<ห>ไม่เคยไม่ก็ไม่เคยเจอกันเลยบวชกันแล้วก็แยกไปอยู่ที่วัดตาบ้านตาดพอมาอยู่วัดยานี้ก็เก้าปีไปละเก้าปีสิบปีแล้ก็ถามว่ า, าบวชที่ไหนไ <laughs> ป <c oughs> บวช <c oughs> ได้ก็บวชพอดีพระเลขาท่านบอกแล้วก็บวชท่านบวชให้เองล่ะ <c oughs> เพราะพระเลขาท่านเป็นพี่เลี้ยง่เป็นคนสอนนาคให้พระเลขาท่านเป็นคนสอนนาคให้พอบวชแล้วก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เน้นการเรียนเขาเน้นการเรียนแบบแบบภาคปฏิบัติสอนแล้วก็ปฏิบัติไปไม่ใด้เน้นมาเพื่อมาท่องจำเพื่อมาสอบกันเน้นเพื่อเอาไปปฏิบัติสอนเพื่อเอาไปปฏิบัติเรียนเพื่อเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัตเพื่อให้บรรลุผลอาจารย์ครับในนี้ที่เขาเรียนอพิธามันมีความจำเป็นไหมครับถ้าไม่รู้อะไรเลยเรียนก็ดีแต่เรียนก็เพื่อที่จะเอามาปฏิบัตินั่นแหละถ้าเราไม่เรียนก็ได้เรียนก็จะถึงเรื่อ ย, ยคือธรรมานี่มันมีอยู่สองทางเรียนพระพิธรรมก็ได้หรือพระสูตรก็ได้ พระสูตรก็เกิดทำที่ผู้เจ้าแสดงต่อสาธารณชนแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้พระสูตรต่างๆเช่นธรรมาจากกัปปวัฒตนสูตรมงคลละสูตรอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นเหมือนอริธรรมเหมือนกันเพียงแต่อริธรรมนี้เขาจะเน้นทางด้านทำรรที่ในระดับสูงที่คือทำรรขั้นจิตคือธรรมนี่มันมี4ระดับด้วยกันสระดับด้วยกัน กายเวทนากับจิตนถ้าจิตนี้จะเป็นเรื่องของอภิธรรมจะพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งธรรมระดับนั้นมันต้องผ่านขั้นกายขั้นเวทนาขึ้นไปก่อนมันถึงจะสามารถเข้าถึงธรรมในระดับนั้นได้ถ้าเรียนก็เพียงแต่เรียนแต่ชื่อมันตัวมันยังไม่เห็นทั้งๆมันมีอยู่ในใจตลอดเวลา ก็ไม่จำเป็นขอให้เรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ธรรมขั้นต่างๆเองรักษาศีลไปแล้วก็นั่งสมาธิไปพอใจสงบก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาปัญหาที่มันติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ปัญหาที่ติดความอยากที่ติดอยู่กับราบยศสารเส ร, ริญก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นทุกข์ก็จะปล่อยวางไม่ยึดติดกับราบยศสารเรสื่อปัญหาที่ความอยากติดอยู่กับร่างกายก็พิจารณาปล่อยวางมันได้ความอยากที่ติดอยู่กับเวทนาก็ตัดมันได้แล้วมันก็จะไปถึงตัวความอยากที่มีอยู่ในจิต ก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี่ใช้ตายรักนี่มันพอแล้ววิธีปฏิบัตินี่ไม่ต้องรู้เจตสิกไม่ต้องรู้จักชื่อว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็พอทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปติดมันเหมือนเหนกัอย่าไปติดบุรี่อย่าไปติดสุราอย่างเงี้ยพวกเรามันชอบไปติดกันติดเหมือนติดบุรี่ติดสุรา ติดลาบยศสารเสินติดราด่รนะดรางกายติดเวทนาเวทนาก็จะติดแต่สุขเวทนาพอทุกเวทนาก็ไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็ทุกขึ้นมาต้องอย่าไปติดกับทุกอย่างจิตก็เหมือนกันจิตก็ติดอารมณ์อารมณ์ในจิตอารมณ์เบิกบานอารมณ์แจ่มใสชอบเวลาอา ง, งมอารมณ์หุดหงดก็ไม่ชอบขึ้นมา ก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีหงุดหงิดมีผ่องใสมีอะไรก็รู้กันรู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันอย่าไปเสษมันพูดง่ายๆอย่าไปติดมันแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรนะถ้าถามว่าต้องเรียนพิธามไมไม่ต้องเรียนหรอก ขอให้เรียนเรียนศีลสมาธิปัญญาก็พอปรชาชกในในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ว่านี่มีโอกาสบรรลุธรรมเป็นพรคสงฆ์ฟังได้ไหมถ้าเกิดถือแค่สินห้าได้ก็มีแม่ชีสองรูปที่อยู่ในวันยานที่เขาทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเขาก็มนุษย์เป็นพนระอรหันต์ได้ 4, เป็นแม่ชีศีลแกก็พอแล้วถ้าเกิดแค่สิ่ห้า สี่ห้ามันยังไปเที่ยวได้ไปนอนกับแฟนได้มันต้องตัดกิจกรรมภายนอกไปให้หมดกิจกรรมทางร่างกายต้องตัดทิ้งไปให้หมดถึงจะบรรลุได้สีห้านี่มันยังไปกินข้าวเย็นได้ไปนอนกับแฟนได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ก็แสดงว่ามันยังติดของพวกนี้อยู่ถ้าติดของพวกนี้อยู่มันก็ไปไม่ได้ที่ปฏิบัติที่ไปก็เพื่อให้ตัดทุกอย่าง ตองถือสินแปดถ้าสินแปก็ตัหดหนวดละลูกเสียงกินน่นลดความสุขทางร่างกายก็หยุดติดไปไม่ใช้ร่างกายหาเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ใช่เครื่องมือเป็นเครื่องมือดับทุกข์ตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือดับทุกข์เวลาใจไม่สบายก็ไปเที่ยวซักหน่อยจะได้หายทุกข์ใจไม่สบายก็ไปดูอะไรสักหน่อยไปฟังอะไรสักหน่อยแต่มันหายเดียวเดียว หายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้าจะให้มันหายอย่างทาวรก็ต้องหายด้วยศีลสมาธิปัญญานก็คือศีลแปดก็คือไม่ไปแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่มให้นั่งเฉยๆอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยบอกให้นั่งเก้าอี้เฉยๆสักแปดชั่วโมงเนะถ้านั่งได้ปัญหามันก็หมดนปัญหาคือมันนั่งเฉยๆไม่ได้ นั่งแล้วใจมันโอ้โหเครียดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาลำคาญจะระเบิดให้ได้ปล่อยให้มันระเบิดเพื่อพอมันระเบิดแล้วมันก็หมดเองนี่เราเราไม่เรากลัวมันระเบิดกลัวมันปล่อยให้มันระเบิดระเบิดแล้วเราจะสบายมันอยากแล้วมันพอมันสุดๆมันพอมันทําตามความอยากไม่ได้มันก็จะหายไปเองระเบิดหายไป แล้วใจก็เบาแต่ตอนที่มันจะระเบิดนี่มันเหมือนกับจะเป็นบ้านะตอนที่อยากมากๆแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี่เหมือนมันจะเป็นบ้าแต่ถ้ามีสติประคับประคองใจว่าอมึงจะเป็นบ้าก็เป็นจะระเบิดก็เป็นปล่อยให้มันเป็นไปพอมันระเบิดปุ๊บเดียวมันหายมันสงบเลยหายอยากเลยอยู่เฉยๆได้แล้วทีนี้ไม่งวดหย็ดไม่ลาคานใจแล้ว ใ่ะตรงนี้อะค่ะเวลาที่เราปฏิบัติที่พระอาจารย์สอนว่าให้ลองนั่งดูนะคะแต่ละครั้งมันทําไมมันไม่ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นกับระดับสติของเราในช่วงนั้นๆเรื่อยหรืเปล่าง่ายยากส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะมีใช้กับมันใช้สู้กับมันถ้าไม่มีเลยมันก็ยากแต่ถ้ามีมันก็ง่ายถ้ามีสติมีปัญญาเนี่มันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีมันก็ ไม่มีเครื่องมือจะสู้มันก็ต่อยเราอย่างเดียวมันก็ยากแต่ถ้าเราต่อยกลับไปนี่มันก็จะทําให้เราถูกต่อยน้อยลงมันก็ไม่ไม่ทรมานยิงน่งต้องมีสติมากๆเพื่อที่จะหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆพอมันไม่มีมันก็จะอยู่เฉยๆได้ถ้าถ้าสามารถที่จะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ด้วยมันก็จะทําให้ ควาสุขตรงนั้นมาช่วยบรรเทามันก็ช่วยบรรเทาได้อช่วยทําให้เรามีกําลังที่จะฝืนความอยากได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปรรัญญามันทนไม่ไหวหรอกมันทรมานใจมากเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนี่มันทรมานใจมากเราต้องหาวิธีบรรเทามันด้วยการใช้สติ ใช้สมาธิใช้ปัญญาไปมันก็จะเบาลงหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้ขันติอา้าวยอมให้มันให้มันทรมานไปสุดๆเลยแล้วก็แบบว่าจำใจเฉยๆสู้ของมันไปถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีเดี๋ยวมันหมดกำลังไปเองแต่วิธีนี้ยากหนะ่อยเพราะมันไม่ใช้ใช้อะไรไใช้ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆ ร่งมันกำลังอยากก็อยากไปมึงอยากก็อยากไปแต่กูไม่ทำตามความอยากเท่านั้น่ะขอยืนกระต่ายขาเดียวนี้กูไม่ทำตามความอยากมึงจะมึงจะฟาดหางฟาดงวงฟาดงานหีก็ปล่อยมึงทาไปโอตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนกับมันจะอารวาดสุดๆในใจเราเนี่ยก็ปล่อยมันอารวาดไปถ้าเรามีกำลังสติสู้มันได้รู้เฉยๆได้เดี๋ยวมันก็หมดกำลังเองพอหมดกาลังแล้วก็สบาย เอาปัญญาได้ไหน ม, มาน้อมพิจารณาได้บางอ๋อปัญญาก็บอกว่าไปทําแล้วเดี๋ยวก็ต้องหายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทําใหม่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรพรออยากจะลุกไปทำนู่นทํำนี่อ่ะก็หายหงุดหงิดพอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรทําก็หงุดหงิดขึ้นมา อ, อานะีก่างนั้นก็ปล่อยมันหงุดหงิดไปจนกว่ามันจะหมดกําลังของมันไปเองทุกอย่างไม่เที่ยงแม้แต่ความหงุดหงิดก็ไม่เที่ยงความอยากมันก็ไม่เที่ยง มันเกิดได้เนี่ยมันก็ดับได้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งก็ได้มึงเกิดได้เนี่ยมึงก็ดับได้เองอ่ะคุไม่ต้องไปทําอะไรกับมึงอ่ะมึงอยากจะอยากก็อยากไปเดี๋ยวมึงหมดแล้วมันก็หยุดเองอ่ะเพีนแต่วเราจะทนให้มันรอให้มันหยุดได้หรือเปล่านั่นเองถ้ามันหยุดกับมันเองได้เราก็สบายต่อไปเราไม่ต้องไปหยุดมันเพียงแต่เราไม่ไปทําตามมันเท่านั้นเองเหมือนเพื่อนมันชวนให้ไปนู่นมานี่เราไม่ไปเดี๋ยวต้อ เขาก็ไม่มาชวนเราเองเดี๋ยวเขาก็เบื่อเขากม็มาชวนเราเองอะแต่ถ้าเขามาชวนปุ๊บเราไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาชวนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอ่ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนนี่มาชวนเราให้ไปทํานู่นทํานี่ถ้าเราไม่ไปทําตามที่เขามาชวนเดี๋ยวเขาก็ไม่มาชวนเราเองอ่าทางบ้านถามอะไรยังยังไม่ได้ถามเลยเอาเลย ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางข้อความนะครับจากคุณอารีซะนะครับอพอดีหนูเป็นอิสลามแต่อยากฝึกจิตให้เป็นสมาธิและไม่ฟุ้งซ่านและไม่ให้เกิอดอารมโมโหต้องทําไงดีคะเพราะบางครั้งเวลาโมโหก็กำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างอยากให้มันปฏิปตอกันค่ะตลอด ค่ะแต่ก็หลุดทุกครั้งคือทุกครั้งที่สวดมนต์ตอนกลางคืนสวดมาก็ประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะง่วงอยู่บ่อยๆอีกอย่างเวลาสวดบนที่นอนหน้าหิงพระบ้างและสถานที่ที่บ้านของหนูมันไม่ค่อยอํานวยมีคนเข้าออกอยู่บ่อยๆหนูกลัวเขาเห็นเวลาสวดมนต์เพราะหนูเป็นอิสลามแล้วพวกเขาเป็นพุทธกัน กลัวเขาจะมองไม่ดีค่ะว่าอิสลามสวดมนต์เลยจะมีเวลาสวดก็ต่อเมื่อเขากลับบ้านกันแล้วหรือไม่ตอนที่เขานอนหลับกันแล้วค่ะส่วนตอนเช้าและตอนเย็นหนูจะมาสวดที่ทํางานทุกวันบทที่สวดก็จะเป็นพุทธคุณธรรมคุณพาหุงมหากาและชินะบัญชรค่ะอยากทราบว่าสิ่งที่ปฏิบัติมามันไม่ถูกตรงไหนบ้างคะต้องแก้ไขคะ ส่วนบ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านของสามีหนูเป็นอิสลามได้สามีเป็นคนพุทธและหนูก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเขาแต่ส่วนสามีเขามารับอิสลามเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องปฏิบัติเหมือนที่หนูทำอยู่ค่ะแต่ที่หนูได้เพราะทำให้ใจเย็นขึ้นรู้ทันอารมณ์โกรธ ด, ด้วยค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิด แต่หลายเดือนมานี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ อ, อ๋อการสวดมนต์นี้ไม่จําเป็นจะต้องนั่งสวดมนต์ออกเสียงนะเราสามารถสวดในใจได้แล้วสวดได้ในทุกกิริยาบทเลยถ้าเราสวดได้ทั้งวันได้ยิ่งดีคือเวลาเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานเราก็สวดไปภายในใจสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ใจเราเย็นหรือถ้าเราอยากจะสวด สันๆ แ, แค่พุทธโธ ท, ทำโมสังโฆไปก็ได้แล้วแต่แต่ให้สวดไม่ต้องออกเสียงสวดภายในใจเราเราจะสามารถสวดได้ในทุกกิริยาบทเราจะไม่มีใครรู้ว่าเรากําลังสวดมนุ์อยู่เราสวดใคร้็าด่าเราแล้ ว, ลวก็อิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้ยินเสียงด่าเขาเราจะอยู่กับการสวดของเราไป ถ้าเรามีสติมากๆเราจะสามารถสวนในท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆได้ที่ถ้าเราไม่มีสตินี่มันจะถูกเหตุการณ์ต่างๆดึงไปจะทําให้เราไม่สามารถสวดได้เราก็จะไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราฝึกสติให้มีมากขึ้นต่อไปนี่เราจะอยู่ที่ไหนเราก็สวดของเราไปใครจะวุ่นวายใครจะทําอะไรกันเราก็สวดของเราไป ระเบิดตูมตางขึ้นมาแล้วก็สวดของเราไปได้จะทำให้ใจเรานี่เย็นจะทำให้ใจเราสบายยังให้เปลี่ยนวิธีสวดใหม่คือไม่ต้องนั่งสวดนะไม่ต้องออกเสียงสวดได้ทุกกิริยาบททุกแห่งขนทุกที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็เอามาสวดเลยดีกว่าสวดไปนจนกว่ามันเย็นสบายแล้วไม่วุ่นวายก็หยุดได้แล้วพอมันวุ่นวายก็สวดใหม่ สวดไปเรื่ต่อไปเราจะใช้การสวดนี้ดับความวุ่นวายใจได้ส่วนการนับถือศาสนานี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติใช่ไหมครับพ่อจังเรื่องของการนับถือก็มันเป็นเรื่องของอรูปแบบเนีเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของอการดูแลรักษาใจของเราอย่างเราไม่สบายเราไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเราเป็นศาสนาไหนใช่ไหม ไปหาหมอหมอเขาถามหรือเปล่าว่ า, วาคุณเป็นอิสลามหรือเป็นพุทธหรือเป็นอะไรไปถึงหมอก็จัดการรักษาโรคตามที่มันเป็นอยู่ใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการดูแลรักษายาที่จะรักษาใจของเราก็คือสติก็คือการสวดมนต์นี่เพราะฉั้นถ้าเราสวดมดนต์นี่เราก็ถือว่าเรารักษาใจของเราเราจะเป็นศาสนาไหนก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลย แล้วนอกจากสวดมนต์แล้วครับพระอาจารย์มีสิ่งไหนที่พระอาจารย์จะแนะนํำไหมครับเกี่ยวกับผู้ที่มีขีดจํากัดทางด้านศาสนาในการปฏิบัติครับพระอาจารย์คือไม่มีเนี่ยก็เหมือนกันน่ยศาสนาพุทธนี้ไม่ได้เป็นศาสนามันเป็นวิธีรักษาโรคใจดังั้นจะเป็นคริสจะเป็นอิสลามหรือเป็นพุทธก็ใช้ได้บางทีเป็นพุทธแต่ไม่ได้ใช้วิธีรักษาตามที่พุทธศาสนาสอนก็มีดังั้น มันไม่ได้อยู่ที่ตัวศาสนาให้รู้จักวิธีรักษาใจของเรารักษาความทุกข์ของเราวิธีรักษาความทุกข์ก็คือหยุดความคิดเพราะคิดแล้วมันจะทำให้เราทุกข์พอเราไม่คิดมันก็จะหายทุกข์แต่มันจะหายแบบชั่วคราวถ้าอยากจะให้มันหายถาวรต้องก็ต้องคิดไปในทางปัญญาคิดว่าสิ่งที่เราทุกข์ด้วยนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยาก ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหายทุกข์กับจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นปัญญาจะหายแบบท้าวลเช่นทุกข์เพราะคนด่าเราเงี้ยเราก็พิจารณาคนที่เขาด่าเรานี่เราห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ด่าเราตลอดเวลาเดี๋ยวเขาหยุดได้เดี๋ยวเขาก็หยุดเองเราไม่ต้องไปอยากให้เขาไม่ด่าแล้วเราจะไม่ทุกข์ ความทุกข์อยู่ที่ใจของเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราคำถามข้อต่อไปจากคุณโทนี่ว่องนะครับกระผมได้รู้จักชาวศรีลังกาท่านหนึ่งและท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ใน บ, บรวรพระาศาสนาที่ราดชบุรีแล้วท่านประสงค์ที่จะหลุดพ้นตามรอยพระาศาสดาแต่เนื่องด้วยท่านไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนและชี้แนวทางที่ถูกต้องหากกระผมอยากพาพระชาวศรีลังกา นี้เข้ากับ น, กนามาสการพระอาจารย์เพื่อดูจักริยาวัดของท่านว่าพอจะอบรมสั่งสอนให้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์พอจะเมตตาให้เข้ากับนามาสการได้หรือไม่หมายเหตุพระชาวศรีลังกาท่านนี้พูดไทยไม่ได้ครับต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมาได้ก็มาคุยกันได้มาถามตอบปัญหากันได้ เ, เหมือนกับญาติโยมที่มากันนี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องจัดเวลาเพราะว่าเวลาเวลาจะรับพระ ก, กับรับโยมนี่มันมักจะไม่ค่อยเหมาะที่จะรับพร้อมกันก็อาจจะต้องรอให้ญาติโยมกลับไปก่อนแล้วอยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งคำถามจะคุณนินานะครับ หลักในการพิจารณาอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะมีอะไรบ้างคะปัจจุบันหนูเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่ทํามาจากสารเคมีอาจจะมีผลกระทบต่อคนทํางานผู้ใช้สินค้าและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้เพราะเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่ายแต่สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับประโยชน์นะคะสอบถามพระอาจารย์คะ่ะว่าแบบนี้ถือ เป็นสัมมาอาชีวะไหมครับคืออาชีพปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจ ะ, ะซับซ้อนมีมีผลกระทบหลายด้านด้วยกันทางสมัยโบราณมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคืออาชีพที่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายทำลายชีวิตของผู้อื่นก็ไม่ควรที่จะทําเช่นเอาขายค้าอาวุธต่างๆ พอาวุธนี้ก็เอาไปฆ่าฟันกันได้หรือพวกที่ใช้กับการดักสัตว์อย่างนี้อันนี้ก็ท่านถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําหรืออาชีพขายสุรายาเมาเพราะจะทําให้คนเมาแล้วก็ไปตีกันไปฆ่ากันได้หรือขายขายของที่มีชีวิตเพื่อจะเอาไปทําลายชีวิตเขาเช่นขายเป็ดขายไก่ขายวัวขายควายเพื่อเขาจะได้ เอาไปฆ่าไปทําเป็นอาหารอย่างเงี้ยอาชีพเหล่านี้ไม่ควรจะกระทําแต่สมัยนี้มันมันเกี่ยวโยงกันซะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงเช่นว่าไปซื้อหุ้นของบริษัทขายขายไก่อย่างเงี้ยจะผิดไหมก็เขาขายไก่เขาก็ฆ่าไก่ใช่ไหมเราซื้อหุ้นเราก็ถือว่าอยู่เพราะเราได้ผลประโยชน์จากการฆ่า ทีเขาบอกงี้ถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารไปปล่อยให้บริษัทค้าไก่เขา<ม>เข า, กาโกงนี่จะทํำยังไงไม่รู้เหมือนกั น, นถ้ามันเป็นหลายหลายหหลายหลายตอนนี้แล้วก็เราไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีที่สุดก็ไปบวชก็แล้วกันอาชีพทีท่แน่นอนที่สุดก็คือบินธบาตเนี่ยอาชีพที่ถูกต้องที่สุดไปบินธบาตเนี่ยก็หมดเรื่องเกียรติ ให้ไปบินทบาทจะได้ขยันท่านสอนเรื่องบินทบาดนี้อยู่3า3สามแห่งด้วยกันสอนในเวลาพราะบวชใหม่เรียกว่ากิจกิจของพระที่บวชใหม่เพื่อกระทำก็คือให้บินทบาตรเรื่องชีพตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะแล้วท่านก็สอนในทุ ด, ดงขวัตเพราะทุ ด, ดงก็คือการปฏิบัติที่จะช่วยเสริมในการ บรรลุทําให้เร็วขึ้นก็มีการบินทบาตเป็นวัดแล้วท่านก็ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าหนึ่งในพุทธกิจห้าก็คือการออกบินทบาทพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญต่อสมาชิกของพระมากคือการบินทบาทไม่ได้สอนว่าเดี๋ยวรับกินนิมนนะไปฉันที่นูน่นฉันที่นี่หรืเ อ, อเดี๋ยวรอให้ญาติโยมทำกอับขงกับข้าวมาที่วัดนะ หลวงพี่ไม่ต้องไปไหนหรอกหลวงพี่นั่งเฉยๆเดี๋ยวเขาก็จัดมาให้กินแล้วนี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกให้บินธบาะเลี้ยงชีพปูบาอาจารท่านถึงการบินธบาะนี้เป็นภารกิจสําคัญอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านท่านบินธบาะจนกระทั่งวาระสุดท้ายจนที่ท่านไม่สามารถบินธบาะได้ตอนที่ท่านเริ่มป่วยท่านเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านท่านก็เดินไปแค่ครึ่งทาง ชาวบ้านก็ออกมาใส่ครึ่งทางพอต่อมาไปไปไม่ถึงครึ่งทางไปถึงแค่ประตูวัดชาวบ้านก็ไปใส่ที่ประตูวัดพอไปไม่ถึงประตูวัดก็บินตาบาดบูนสล า, าพอบินตบาดบูนสล า, าไม่ไหวก็ยุติกันนี่แหละความสำคัญของบินตบาดหลวงปู่ม่านท่านให้ความสำคัญมากเก็บไข้ได้ป่วยยังไงถ้าไปได้ก็ไป ถ้าจะไม่ไปก็เฉพาะเวลาอดอาหารเท่านั้นถ้าอดอาหารก็ไม่ต้องไปบินทบาดเพราะไม่เริ่มจะบินมาทําไมบินมาแล้วเมื่อไม่ฉันก็ไปเสียอาหารชาวบ้านเขาเปล่าๆก็ไม่ต้องบินที่ไม่บินทบายก็เพราะว่าบางทีอยากจะเก็บตัวไม่อยากจะออกมาเจอผู้คนอยากจะอยู่เงียบๆภาวนาให้มันต่อเนื่องถ้าเอาอมาบินทบายมันจะขาดตอน พอออกมาแล้วก็ต้องพบปะผู้คนต้องมาพบกับต้องมาทำกิจวัตรที่ศาลามันก็ทาให้การเจริญสติไม่ต่อเนื่องนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่องบางทีอยากจะนั่งนานๆถึงเวลาบินธบาตยังไม่อยากจะออกไปบินบัตก็ไม่ไปมันเลยนั่งสมาธิต่อก็เลยถือว่าวันนั้นอดอาหารไปแต่ได้อาหารใจที่อิ่มกว่าอาหารร่างกาย พอใจมีความสงบแล้วเนื่องการอดอาหารนี่ก็จะไม่รู้สึกหิวเลยหิวก็ไม่ไม่เดือดร้อนพราใจอิ่มดีกว่าวันที่ไปบินกระบะากินร่างกายอิ่มแต่ใจกลับหิวกินอิ่มแล้วไม่ทันกินชั่วโมงหิวอีกละข้อที่สามการที่เรายังทำธุระธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆวันนี้อาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อคนงานผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม แต่อนาคตอาจมีผลกระทบแบบนี้เท่ากับว่าเราทําบาปไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่บาปเราไม่ไม่เป็นสามาชีพคําว่าสามาชีพนี้ไม่ได้เป็นคําว่าบาปเพียงแต่อาชีพที่ไม่ควรกระทําอาชีพที่จะไปทําให้ผู้อ่นเสียหายเดือดร้อนไม่ควรจะทําแต่ไม่บาปบาปก็ต่อเมื่อเราไปฆ่าเขาไปรักทรัพย์ของเขาไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงบาปมีอยู่4ข้อนี้ท่านที่เรียกว่าบาป คำถามจากผู้ปฏิบัติจากธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่งบางครั้งการปฏิบัติก็นิ่งดีมากแต่บางครั้งก็เกิดความคิดอยากจะช่วยเหลือหลายๆอย่างเลยทำให้คิดนู่นคิดนี่ลูกขอแนวทางในการแก้ไขเจ้าค่ะก็รู้ว่าไม่ปฏิบัติแล้วพอเริ่มคิดก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ต้องไม่คิดอ่า ข้อที่สองลูกมีความตั้งใจอยากบวชชีตั้งแต่ยังเด็กๆจนปัจจุบันอายุ42ก็ยังไม่สามารถบวชได้เนื่องจากมีภาระแม่อายุมาก86ปีมีโรคชรลาแต่แม่ก็มีพี่ๆช่วยดูแลถ้าลูกเลือกที่จะมาบวชชีจะเป็นการเห็นแก่ตัวใหม่เจ้าคะจะมีวิธีการอย่างไรในการพูดกับแม่เพราะแม่ติดลูกมากๆ ก็ถ้ามีคนอื่นดูแลมันก็เราก็ไม่ดูแลก็ได้การมาบวชนี่ก็เป็นการทดแทนบุญคุอีกแบบหนึ่งการมาบวชนี่เพื่อมาศึกษาวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเรารู้จากวิธีแล้วเราก็ไปสอนแม่ต่อไปได้ทําให้แม่ได้หลุดพ้นด้วยดีกว่าเลี้ยงดูแม่แต่แม่ก็ยังไม่หลุดพ้น อย่างพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้มาบวชนี่ก็ไปสอนพ่อสอนแม่ให้หลุดพ้นไม่ได้แต่พอมาบวชแล้วหลุดพ้นแล้วก็ไปสอนพ่อสอนแม่สอนญาติพี่น้องให้หลุดพ้นได้ยั้นถ้าเรามองว่าการหลุดพ้นนี่เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งเราก็สามารถทิ้งทุกอย่างไปได้คำถามจากคุณนะัท ทายาของผมนั่งสมาธิแล้วท่องพุทโธใจก็ไม่นิ่งเลยเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจก็เหมือนกับเราท่องเข้าออกใจก็ยังไม่เป็นสมาธิหลวงพ่อบ่นแนะนำธรรมด้วยครับ อ, อ๋อพ่อยังทําน้อยไปไงต้องทําก่อนที่มานั่งต้องทําตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิด พุโทโธไปอาบน้ำพวพุโทโธไปร่างหน้ากับพุโทโธไปแปลงฟันกับพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีพุโทโธอย่างนี้เวลามานั่งมันก็จะนิ่งได้คําถามจากคุณสรอัดพระพิสุขหรือผู้ถือสินแปควรติดตามข่าวสารรับรู้การเปลี่ยนแปลงทรั้งโลกหรือไม่ ถ้าติดตามได้ควรระวังหรือเลือกที่จะรับรู้โดยการวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงอารมณ์ไปกับการกับข่าวสารต่างๆครับ อ, อ๋อนักบวชจริงๆนี่ไม่ควรรับรู้อะไรเลยต้องปิดทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสมัยก่อนไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตานท่านไม่ให้ดูหนังสื้อพิมไม่ให้ฟังวิทยุไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับใครทั้งนั้นให้ปิดทั้งหมดแม้แต่กินนิมนต์ยังไม่ให้ออกไปเลยไม่ให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ให้ดึงใจเข้าข้างในอย่างเดียวถ้าอยากจะบรรลุต้องดึงใจเข้าข้างในถ้าเปิดทาวารใจมันก็จะออกท่านยังบอกให้ปิดทาวารทั้งห้าแล้วก็มาปิดทาวารที่หกด้วยสติทาวารที่หก็คือความคิดตาหูจมูกนิ้งกายนี่ก็ทาวารทั้งห้าจะกิเลสมันจะออกไปาตามทางตาหูจมูกนิ้งกายแล้วก็ใจก็คือความคิดปิดทาวารด้วยการ ไปอยู่ที่ไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ใช้สติหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดใจก็จะเข้าข้างในใจก็จะสงบแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระอาจารย์ครับผมได้สนทนากับผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งครับแล้วก็เขาก็สงสัยว่าทำไมเขาเนี่ยถึงมองภาพอาสุพระต่างๆหรือแม้แต่การที่ดูแลแม่ของเขาเนี่ยเช็ด เช็ดอะไรเงี้ยครับเช็ดไม่มีความรังเกียจเลยแล้วก็ไม่ไม่รังเกียจในอาตุพะแต่ในก็อสุภะนี่คือรูปอย่างเดียวนะครับในรูปเขาผมผมก็ระบายผมก็ตอบไม่ได้กันเพราะก็อยากรู้เหมือนกันขออาจารย์ตอบด้วยครับด้วยไงว่าว่าทําไมเขาถึงไม่มีความรู้สึกกับเวลาเห็นภาพอสุภะเขาไม่เขาไม่รู้สะอิดสะเอียน<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็แสดงว่าเกาอาจจะชินกับมันไงก็เห็นมันมาพอแล้วจนกระทั่งใจเขาเฉยๆกับมัน เหมือนหมอที่เขาผ่าตัดเขาก็ผ่าเห็นตับไตไส้พุงลำไส้เขาก็เฉยๆกับมันเพียงแต่ว่ามันเห็นผิดเวลาเท่านั้นเองมันควรจะเห็นตอนที่มีการมาลมมากกว่าเช่นเวลามีการมาุมเห็นใครหล่อๆสวยๆแล้วอยากจะร่วมหลับนอนกับเขานะ ต, ตอนนั้นเป็นเวลาที่ควรจะเห็นตับไตไส้พุงของเขา หมอเขาถึงยังมีสามีภรรยากันได้เพราะเวลาก็มีการอารมณ์เขาไม่ดูอสุภะเลยเขาไปดูสุภะแทนเข้าไปดูส่วนที่สวยงามของร่างกายแทนเขาก็เลยยังมีการอารมณ์อยู่การให้ดูอสุภะนี่เพื่อดับการอารมณ์เวลาเกิดการอารมณ์เหมือนกับกินยายาถ้ายังไม่มีโรค ก, กินไปมันไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมเวลาไม่ปวดท้องนี่กินยาแก้ปวดท้องไปมันมันทำอะไรได้นะไม่มีผลอะไรนะ แต่เวลาปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องนี่ลมันทำให้หายปวดท้องได้เวลาเราถือศีลแปดหรือเป็นนักบวชเราร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้แล้วเกิดการมารมอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาเนี่ยจะทำยังไงจะให้มันหยุดการมารมนี่ได้ก็ต้องเห็นอสุภะเท่านั้นตอนนั้นถึงจะทำให้อสุภะมีมีประโยชน์ขึ้นมาอของพวกนี้มันต้องรู้จักใช้กับกับเหตุการณ์ ทำต่างๆที่เราจะเริยนี่มีเพื่อมารักษาโรคทุกข์ใจของเราที่เราคิดความตายนี่ก็เพื่อให้เราเวลาเจอความตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เราคิดแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆรู้ว่าจะตายแต่ก็รู้สึกเฉยๆแต่พอเวลาหมอบอกว่าจะตายขึ้นมานี่เป็นยังไงเฉยได้หรือเปล่าถ้ามีปัญญาก็จะเฉยได้ถ้าพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆ ยังไงก็ต้องตายยอมตายพอยอมตายแล้วเวลาไปเจอความตายมันก็จะเฉยได้แต่ถ้ายังไม่ยอมตายมันก็ยังเฉยไม่ได้ดังน้นมันก็ต้องพิจารณาจนยอมรับความตายให้ได้ถ้ายังรับความตายไม่ได้ก็ยังถือว่ายายังไม่พอกินย า, ยายังไม่พอต้องกินจนกระทั่ทงมันยอมรับความตายได้ว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆเพียงแต่จะตายเมื่อไหร่หเท่านั้นเอง ตอนนี้ยังไม่ได้เจอหมอยังไม่ได้เจอโรค ก, ก็ยังเฉยเฉอยู่พอไปเจอหมอเจอโรคแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเนี่ยที่ดูซิว่าใจจะเฉยเฉยได้หรือเปล่าถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าเราต้องเอายามากินละเราก็ต้องยอมลองใช้พิจารณาความตายแล้ะพิจารณาจนกระทั่งมันยอมยอมรับว่าไม่มีทางอื่นแล้วต้องตายอย่างเดียวแล้วยอมรับว่าตายก็ตายว่า พยอมรับความตายได้มันก็จะหายทุกข์ได้ถ้ามันยังไม่อยากตายมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆเยนยาแต่ละชนิดนี้มีไว้เพื่อมาแก้ความอยากพิจารณาความตายเพื่อให้มาแก้ความไม่อยากตายให้มันเห็นว่าไม่อยากตายมันก็ต้องตายถ้าไม่อยากตายแล้วมันทุกข์ถ้ายอมตายแล้วมันจะไม่ทุกข์จะเอาอย่างไหนตาย ต า, ตายแน่นอนจะตายแบบไหนตายแบบทุกหรือตายแบบไม่ทุกถ้าไม่อยากจะทุกก็ยอมตายยอมรับความจริงว่าต้องตายคำถามจากคุณวัฒนาทําบุญด้วยการสร้างเหรียญจํานวนมากๆเพื่อถวายให้หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตเพื่อแจกญาติโยมจะได้บุญกุศลมากกว่าสร้างพระองค์ใหญ่ๆหรือเปล่าครับ มันก็เป็นการบริจาคเงินทองในรูปแบบต่างๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่พระองค์ใหญ่หรือองค์เล็กอยู่ที่เงินมากเงินน้อยบริจากมากบุญก็มากบริจากน้อยบุญก็น้อ ย, อยมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่การบริจาคเงินทองของเราที่จะไปสร้างกุฏิเอาไปสร้างโบสถ์เอาไปสร้างพระพุทธรูปมันก็เป็นเรื่องของของของ ความจําเป็นหรือของประโยชน์ที่จะได้จากการสร้างวัตถุเหล่านั้นประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ได้เรียกว่าบุญนะบุญเกิดจากการที่เราเสียสละทรัพย์สินสมบัติที่เรายึดที่เราติดที่เราลากเราห่วงนี้ให้เป็นของคนอื่นไปอันนี้เราจะได้บุญทั้งอันนี้เพรนั้นถ้าเราให้น้อยมันก็จะได้น้อยความรู้สึกมันจะไม่ไม่มากเหมือนกับให้มากเวลาให้มากๆนี่ ร, รู้สึกว่าโอ้ ใจหนึ่งก็เสียดายใจนึ่งก็เบาใจโอ้ความเสียดายนั้นก็หายไปความใจก็มีความสุขขึ้นมาเงี้ยให้มากเท่าไหร่เนือให้ของที่เรารักมากเท่าไหร่ยิ่งจะได้ความสุขมากได้ได้บุญมากเพราะว่าคาําคำว่าบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของที่เรารักไปยิ่งให้ร่างกายได้นี้ยิ่งยอมตายนี้ยิ่งสบายใหญ่เลย ยิงสุกใหญ่เลยแต่ให้ตอนที่ยังไม่ตายนี่ไม่ได้บุญนะเช่นจะเขียนหนังสือว่าจะบริจา克ร่างกายนี้ให้กับโรงพยาบาลนี้ยังไม่ได้ให้ถ้าจะให้ต้องให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เช่นบริจาคไตถ้าอยากจะได้ไตขอบริจาคายไปบริจาคเลือดอย่างนี้อันนี้ให้แบบที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนี่ยมันจะได้บุญเพราะเราเป็นผู้ ให้และผู้รับรู้ว่าเรากำลังเสียสละอยู่แต่เวลาที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเราได้เสียสละร่างกายนี้ไปเขาจะไปทำอะไรเราไม่รู้แล้วตอนนั้นจะไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์สําหรับผู้รับผู้รับก็ได้ตายไปเปลี่ยนใหม่ได้หัวใจไปเปลี่ยนใหม่ได้ต่อชีวิตของเขาไปอันนั้นเป็นประโยชน์ไม่ใช่บุญก็เหมือนกับการที่เราถวายเงินสร้าง สิ่งต่างๆถาวรวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปมันก็เป็นประโยชน์ต่างๆกันไปสร้างศาลาก็มีที่ทํากิจกรรมนั่งฟังเทศน์นั่งฉันอาหารสร้างโบสถ์ก็มีที่บวชพระมีทํากิจกรรมทางสงฆสร้างเจดีย์ก็มีที่ไว้สําหรับเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าที่เก็บอัฐิพระธาตุของพระพุทธเจ้า การสร้างอะไรต่างๆเานะั้นมันมีประโยชน์ของของของแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่บุญนี้เหมือนกันคือเราเสียเงินสร้างเราก็ได้บุญนี่อยากจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ให้มากหรือให้น้อยไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างพุทธลูปหมายความว่าเงินจำนวนเดียวกันสร้างพุทธรูปแล้วจะได้บุญมากกว่าสร้างเหรียญ น, นี้มันไม่ใช่บุญมันเท่ากันเพราะเสียเงินเท่ากัน ยังต้องมันรู้จักแยกแยะว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจที่ได้จากที่เราเสียสละเงินทองไปแล้วเงินนี้จะไปสร้างอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอาไปสร้างโรงพยาบาลก็ได้สร้างโรงเรียนก็ได้สร้างคอกหมาก็ได้มันแล้วแต่มันก็ความรู้สึกทางใจมันก็เหมือนกันมันได้บุญเหมือนกันเพราะมันเสียสละเท่ากันแต่ประโยชน์ที่ได้มันก็ต่างกันไป แล้แต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเพราะนั้นบางทีก็เราต้องรู้จักแยกแยะว่ามันเป็นสองส่วนคนละส่วนกันถ้าอยากจะทำเพื่อบุญนี้ทำที่ไหนกับใครก็ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าอยากจะทำบุญแล้วอยากจะทำประโยชน์ก็ต้องไปดูว่าเราต้องการทำประโยชน์ในส่วนไหนถ้าเราต้องการทำประโยชน์ในทางาศาสนาแล้วก็ไปทำที่วัดอยากให้าศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องไปทาที่วัด ถ้าเราอยากจะให้โรงพยาบาลจเจริญนุ่งเดียวเราก็ไปทำที่โรงพยาบาลถ้าเราอยากให้โรงเรียนจเจริญเราก็ไปทาที่โรงเรียนแต่บุญที่ได้เท่ากันไม่ว่าจะไปทำที่ไหนถ้าเสียเงินเท่ากันเงินจำนวนเดียวกันนีไปทำที่ไหนความสุขใจมันก็เท่ากันคำถามจากคุณวราพรรู้สึกกลัวมากและตกใจเวลาทำสมาธิ แล้วเห็นหนอนตัวเล็กๆขึ้นที่ขาและบางครั้งล้างหน้าหน้าก็เละอยากทำให้เมตให้เมตตาแนะนำค่ะก็อย่าไปปล่อยใจให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนั่งสมาธิต้องมีพุทโธกำกับใจหรือมีมีการดูลมหายใจเข้าออกแล้วสิ่งต่างๆอันนี้มันไม่เกิดที่เกิดก็เพราะว่ามันไม่มันปล่อยพุทโธมันทิ้งพุทโธปล่อยให้ใจแสดง ภาพต่างๆออกมาหลอกเราแล้วก็กลัวภาพของตัวเองกลัวเงาของตัวเองตัวเองคิดขึ้นมาเองแล้วก็ไปกลัวกับความคิดที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองเนนั่งสมาธิแบบไม่ถูกวิธีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆนานาบแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธไปนี้ไม่มีเห็นอะไรอยู่กับลมไปนี้มันจะไม่เห็นอะไรคําถามจากทาง youtube นะครับจากคุณจิตกรนะครับอ่านลุก คัทข า, าที่พระพุทธเจ้าแสดงความเป็นลำดับไปนั้นขอควอาจาย์เมตตาแสดงเป็นลำดับเพื่อนำไปพิจารณาเราจำไม่ได้เราถึงไม่เคยแส ด, ดงเลยต้องไปเปิดดูในใน u t u b e อในอะไรก็ได้นั่นแหละในอินเทอร์เน็ตไม่เยอะแยะก็แส ด, ดงจากตั้งแต่อะไรทานศีลภาวนาขึ้นไปนั่นแหละมีหลายระดับด้วยกันจำไม่ได้ลาลี่ เพราะคนเรามันมีหลายระดับเหมือนนักเรียนไงโรงเรียนก็ถึงมีหลายชั้นใช่ไหมบางคนก็ต้องเข้าอนุบาลบางคนก็อยู่ปถมบางคนก็อยู่มัธยมทำต่างๆนี้ก็มีหลายระดับระดับปถมระดับมัธยมระดับอะไรต่างๆไประดับแรกก็เชื่อให้เชื่อนระกเชื่อสวรรค์เชื่ออะไรอย่างนี้ก็ระดับสอนให้เชื่อก่อนเมื่อสอนเชื่อแล้วก็ สอนให้ทำทานไปสวรรค์รักษาศีลจะได้ไม่ไปนรกแล้วก็จะจะไปนิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ไปภาวนาไปบวชกันเมันเป็นระดับของการปฏิบัติความยาก ง, ง่ายมันต่างกันคำถามจากคุณเป็นเพนจันมีอาชีพเภสัชขายยาที่ร้านขายยา เคยขายยาคุมกําเนิดอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมคะการคุมกําเนิดไม่ได้ไปฆ่าใครเนีพียงแต่ ป, ป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองคําถามจากคุณลาวิวันโยงเห็นพระสมัยนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยศรัทธาในการกระทําของพระที่ไม่ค่อยถูกหลักพระวินยัยและไม่ค่อยเทศให้ชาวบ้านฟังมีแต่คอยให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเราจะบาปไหมคะถ้าเราคิดแบบนี้ ออไม่บาบหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความจริงคําำถามจากคุณอาพรอยากทราบวิธีออกจากสมาธิที่ถูกต้องค่ะเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิค่ะเวลานั่งแล้วมันเริ่มคิดมันนั่งต่อไปไม่ได้ก็รู้กออกมาเท่านั้นเองเมันย้อนไปต้องถูกต้องเลยนั่งทนไม่ไหวก็รู้ออกมาเลยถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งหน่อย แต่ว่าถ้านั่งเรางสงบก็ทบทวนดูว่าวันนี้เราสงบได้อย่างไรได้จําไว้คราวหน้าเราจะได้นั่งแบบนี้ใหม่เช่นวันนี้เราพุโทโธอยู่อย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วจิตสงบอแล้วจําจไว้ว่าถ้าอยากจะสงบอย่างนี้คราวหน้าก็ต้องพุโทโธอย่างเดียวไม่ใช่พอคราวหน้านั่งปั๊บก็ไม่ได้พุโทโธมีแต่คิดถึงคราวที่แล้วว่าเอ้มันสงบวันนี้ทำไมมันไม่สงบสักทีมันไมน่มันไม่ได้นั่งพุโทโธละมันนั่งฟุ้งซ่านละมันนั่งปรุงแต่งไปละ อยากให้มันสงบแต่มันไม่สงบเหมือนคราวที่แล้วก็คราวที่แล้วทำไงไม่ทำอยากคราวที่แล้วก็ต้องทำแบบคราวที่แล้วคราวที่แล้วอยู่กับพุทโธอย่างเดียวคราวนี้อยากจะให้สงบเหมือนคราวที่แล้วก็ต้องอยู่กับพุทโธไม่ใช่ไปอยู่แต่ความอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วโดยที่ไม่ได้มีพุทโธมันก็ไม่สงบคำถามจากคุณชาตอนนั่งสมาธิใช้บริกรรมยุบหนอพองหนอแทนพุทโธได้ไหมคะ ได้ลองทั้งสองแบบแต่ดูเหมือนการสังเกตท้องพองยุบพร้อมบริกรรมจะสังเกตได้ชัดกว่าจะสงบกว่าแบบพุทโธเล็กน้อยค่ะอันไหนที่ได้ผลดีกว่าก็ อ, าอันนั้นก็นแล้วกันคำถามจากคุณวิลาลัยเล่นโยคะ15นาทีนั่งสมาธิต่อเหงื่อออกมากควรทำสมาควรทาสมาธิอื่นไหมคะเออควรทำสมา ธ, มสมาธิสมาธิสำคัญกว่ายโยคะ คำถามจากคุณลาวิวันพระที่ทํางานในวัดคือทาสีซ่อมแซมวัดขนหินทํางานเป็นเป็นคู่ทำงานคู่กับผู้หญิงบ้างคนมานุ่งขาห่มขาบ้างผิดบ้างไหมคะพระกับญาติโยมนี่ไม่ควรที่จ ะ, ะทํากิจกรรมร่วมกันเพราะมันเสี่ยงต่อการที่จะทําให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีได้ จะทำให้อยากจะบุอยากจะศึกได้เอ็นภาพไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมควรจะแยกทำกิจกรรมกันคำถามจากคุณโอาลากระผมพยายามจเจริญสติตั้งแต่ตื่นถึงหลับในเวลาที่นึกได้โดยท่องคาถาจักพัทแต่เวลานั่งสมาธิท่องพุทโธบางครั้งดูลมมันจะถูกต้องหรือเปล่าครับแต่ก็สงบดี ได้เพราะว่าการสวดนี่เป็นการสร้างสติถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถใช้สตินี้ทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณมนตีการฆ่าสัตว์กับฆ่าคนบาปต่างกันไหมครับมีความหนักต่างกันคือโทษหนักเบาอยู่ที่สิ่งที่เราฆ่าว่ามีคนมีคนมากหรือคนน้อย ถ้าสิ่งที่เราฆ่าบุคคลที่เราฆ่ามีคุณมากก็จะโทษมากเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้พระพระอรหรนันต์นี้ถือว่าหนักกว่าฆ่าคนอื่นทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคนเหมือนกันนี่แต่มีโทษต่างกันเช่นถ้าเรามีอาชีพเป็นทำหนวจทหารแล้วเราไปไปจับผู้ร้ายหรือไปทำสงครามแล้วเราก็ฆ่าฆ่าศัตรูนี่ มันก็บาปแต่มันไม่บาปเท่ากับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าคนที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเราเนี่ยมแทนที่จะไปฆ่าผู้ร้ายเรากลับมาฆ่าผู้บังคับบัญชาเราที่เขามีบุญคุณกับเรานี่ก็มีโทษต่างกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีโทษต่างกันฆ่าเป็ดฆ่าไก่กับฆ่าวัวฆ่าควายนี่ก็มีโทษต่างกันเราสมัยก่อนเราใช้วัวควายเป็นที่พึ่ง ช่วยทําไล่ไถนาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสมาชิกในครอบครัวไปฆ่ามันกลับไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่มันต่างกันเป็ดไก่มันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับเราแต่วัวควายนี่มันช่วยเราทํางานได้เฉะนั้นการฆ่าวัวฆ่าควายนี่ถือว่าบาปหนักกว่าการฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็ยังเบาวกว่า อันหนักกว่าไปไปฆ่ามดฆ่าแมลงเนี่ยมันแต่ละอย่างมันมีมีความหนักเบาต่างกันตามประโยชน์ของสัตว์แต่ละชนิดว่าเขามีประโยชน์มากประโยชน์น้อยมีคนมากคุณน้อยคําถามจากคุณสาครที่ชายผมมีปัญหาไม่ได้ทํางานมาประมาณ15ปีแล้วเนื่องจากชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆที่บ้านไม่ออกไปไหนแถมยังไม่ยอมทํางาน แม้กระทั่งงานเล็กๆน้อยๆในบ้านก็ตามขอบอกว่าเขาไม่สบายมีปัญหาทางจิตและแก้ไม่ตกถึงบัดนี้ผมและคุณแม่เคยพาเขาไปหาหมอพบจิตแพทย์และแพทย์ก็ให้ยามากินแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมกินเขาบอกว่าไม่ชอบทานยาเขาขอรักษาด้วยตัวเองแต่จนถึงกระทั่งตอนนี้ทำอย่างไรเขาก็ไม่สามารถรักษาตัวเขาให้หายเองได้ กับเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรกับที่ชายของผมดีครับก็ก็ทำยิ่งมาตั้งสิห้าปีแล้วก็ทำต่อไปก็แล้วกันคนำะ ถ, ถามจากคุณเอเรื่องการเผาศพค่ะไม่ทราบว่ามีการห้ามเผาศพวันศุกร์หรือวันพระหรือไม่คะก็แล้วแต่วัดเขามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่า <S <S แต่เรื่อง เหตุผลมันไม่มีหรอกวันไหนก็เผาได้ทั้งนั้นขอให้มันทุกอย่างพร้อมก็แล้วกันมีฟืนมีไฟมีที่เผาก็เผาได้แต่บางที่ก็อาจจะถือวันก็ได้วันนี้ไม่ควรทาภารกิจแบบนี้เช่นสมัยนี้วันมงคลวัดเขาก็จะหยุดไม่มีการเผาศพกันเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันอะไรนี้เขาจะงดเผาศพวันหนึ่งเพราะเขาถือว่าเป็นวันมงคล ควรจะเวลาม า, ามาทํากิจกรรมที่เป็นมงคลแต่พูดตามความจริงอ่ะการเผาศพนี่เป็นงานมงคลที่สุดแล้วล่ะว่เาเป็นการเจริญโมนานุสติ่ยแต่เรากลับไปมองในทางโลกว่า<ม>การตายนี้ไม่ดีแต่ความจริงการตายนี้เป็นการสอนคนอยู่คนเป็นให้รู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายให้ควรเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเวลาตายจะไม่ทุกข์ถ้าไม่เตรียมตัวไม่ยอมรับความตายนี่เวลาตายจะทุกข์มากดังน้นบางทีต้องเห็นความตายจะได้เตือนเราได้ว่าเนี่ยความจริงนะไม่ใช่ของเล่นนะเราพูดกันระหว่างคนเป็นด้วยกันว่าเราจะต้องตายมันรู้มันไม่รู้สึกว่าจะตายกันันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับมาหลอกกันอย่างนั้นเลยต้องไปเห็นของจริงไปดูคนที่เรารู้จักเคยเป็นอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีดๆก็นอนตายอย่างเนี้ยเราจะรู้เอ้ย จริงนะเวย้ยเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างเขาถ้าอย่างงี้มันก็เป็นมงคลมันจะทำให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเป็นจริงแล้วพอเวลาตายจะได้ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่ยอมรับความจริงพอถึงเวลานี้มันจะทุกข์มากใ น, นความจริงวันเผาศพนี่มันเป็นวันมงคลคนจะถือว่าเป็นวันมงคลเป็นการจเจริญมรณนาสนติ เป็นการเจริญปัญญาว่ามาคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณสุธมาเวลาจิตมีอารมณ์ต่างๆมากระทบแล้วจิตกระเพื่อมควรควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ถ้ามีสติก็หยุดมันด้วยสติพุทโธพุทโธไปแล้วพอพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่าเหตุอะไรทําให้ใจกระเพื่อมเหตุก็คือความอยาก ลองคนดูว่าตอนนี้เราคำอยากอยู่กับเรื่องอะไรอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นนังใจอยากใจเราก็กเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ก, ก็ต้องอย่าไปทำอะไรก็แล้วกันอยู่เฉยๆคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปก็แล้วกันมีเกิดมีดับไปอันนั้นก็เป็นปัญญาเหมือนกัน รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับถ้าเราไม่รู้จักวิธีแก้มันก็ใช้ขันติความอดทนอยู่กับมันไปแต่อย่าไปแก้โดยวิธีอื่นอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อย่าไปชอปปิ้งชอปปิ้งอะไรอันนั้นมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเหตุมันอยู่ที่ใจต้องแก้ที่ใจแก้ด้วยขันติก็ได้ความอดทนอดว่ า, าทุกอย่างมันก็มีดีมีไม่ดีวันนี้อารมณ์ดีก็รู้ว่าดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดี เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปทำอะไรมันหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะก็ขอให้นำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ